ซีดีธรรมบัญญายจุดฟังทีไรได้สุขทุกทีโดยพระพรหมคุณาพรปออประยุตโตวัดยาณเวส ก, กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพ ร, รานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งรายการขอคิดด้วยคน ขอให้ช่วยค้นหาความสุขบรรยายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538 ที่กราณาให้ท่านอาจารย์คุณรังจวน ก, กับผมมาร่วมสนทนาและซักถามปัญหาเกี่ยวกับความสุขครับก็อขอจเจริญพรครับคือผมเองเนี่ยมีข้อสงสัยอยู่ว่าเวลาผมอยากจะกินอะไรที่อร่อยผมได้กินผมก็มีความสุขผมอยากจะดูอะไรสวยๆงามๆเวลาผมหาของสวยๆงามๆมันนั้นมาดูเนี่ยก็ผมก็มีความสุขอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสุขหรือเปล่าครับ เป็นเลื่อนหอนก็ถูกต้องครับแต่เป็นความสุขอย่างหนึ่งทั้งพระท่านยอมรับเลยแต่ท่านเรียกชื่อความสุขประเภทนี้เรียกว่ากามาสุขหรือบางทีก็เรียกว่าสามิสสุขหรือสุขเกิดจากการเสบวัตถุนั่นเองครับเรื่อนหอนหมายความว่าประสาทสัมผัสของผมตาหูลิ้นจมูกกายทั้งหลายนั้นได้สัมผัสในสิ่งที่ผมอยากผมก็มีความสุขเรื่องความสุขที่เกิดจากการเสบวัตถุนี่ พูดอีกสำนวนหนึ่งเขาเรียกว่าความสุขที่เกิดจากการได้การเอาคือว่าเราต้องอาศัยวัตถุภายนอกบนมันไม่ได้มีอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหามาเราต้องได้ต้องเอามานี้ทุกคนก็คิดเหมือนกันต่างคนต่างก็ต้องได้ต้องเอาม่นต้องได้ต้องเอาก็แย่งกันทีนี้ปัญหามาอยู่ที่ว่าทุกคนก็คิดว่าต้องได้มากที่สุดจึงจะสุขที่สุด แต่ละคนคิดอย่างนี้ก็ต้องแย่งกันแน่นอนแล้วก็เกิดโทษก็คือการเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็ผลไม่ใช่อยู่แค่มนุษย์เท่านั้นอันนี้เป็นผลเสียทางสังคมที่เดือดร้อนวุ่นวายมองในแง่นี้คือปัญหาสังคมการเบียดเบียนกันสองก็คือว่าเราจะเอาวัตถุมาเสพจากที่ไหนก็เอามาจากทรัพยากรธรรมชาติส่วนมากนั้นโดยระบบนี้การหาความสุขแบบนี้ก็จะนําไปสู่การทํำลายทรัพยากรธรรมชาติ การบริโภคมากขยะมากเป็นต้นก็หมายความว่าเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่อีกด้านหนึ่งก็คือชีวิตของตัวเองชีวิตของตัวเองก็ไม่ใช่มีความสุขแท้จริงเพราะว่ามันเป็นไปกันด้วยความราร้อนมาพร้องกับความรร้อนก็วนกระวายดิ้นรนทะยานหาพร้อมกันนั้นก็เกิดปัญหาความหวาดระแวงกับผู้อื่นครับก็เกิด เ, เรื่องตัวความทุกข์ความเดือดร้อนในใจของตัวเองด้วยท่านการันจุนเห็นอย่างไรครับในกรณีนี้ครับ ที่ท่านเจคุณอาจารย์ท่านได้กล่าวมาก็เป็นความที่สมบูรณ์นะคะแต่ดิฉันขออนุญาตแถมนิดนึงอย่างคนชาวบ้านนะคะอย่างที่อาจารย์กล่าวมาดิฉันรู้สึกว่าเป็นความสุขที่ได้อย่างใจของตัวแล้วเราก็คิดว่าอันนี้แหละคือสุขซึ่งคนส่วนมากมักจะรู้สึกอย่างนี้แล้วก็เลยไม่รู้สึกตัวว่ามันจะนําปัญหาอะไรตามมาเมือนั้นที่ท่านเจคุณอาจารย์ท่านได้กล่าวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายดิฉันจึงเรียกว่าสุขอย่างนี้เป็นสุกร้อน ที่สะกดได้กอไก่ เพราะว่าพอได้มาแล้วก็ยังอยากจะได้ต่อไปแล้วก็เพื่อจะไกว่าหาเพิ่มขึ้น<ๆ>เพิ่มขึ้น<ๆ>โดยไม่รู้สึกว่าในขณะนั้นไอ้อัตราความต้องการภายในใจของตัวเนี่ยมันได้ทวีขึ้นสักเท่าไหร่ไม่รู้สึกก็มีความรู้สึกแต่อยากจะต้องการอย่างเดียวก็กระเสือกกระสนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความสุขอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ถูกต้องก็เป็นสุขที่มนุษย์เราต้องการแต่ก็อยากจะนึกซะอีกนิดหนึ่งว่ามันเป็นสุกกอไก่นะให้ระมัดระวังเพราะไอ้สุขที่เราแสวงหาจริงๆ เนี่ย น, นะคือสุด ข, ขอไข่ใช่หรือเปล่าอืมครับถ้าอาจารย์บอกว่าสุขอย่างร้อนเนี่ยครับค่ะทำไมถึงไปเทียบกับร้อนครับก็เพราะว่าในขณะที่เราได้อย่างใจเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้พอใจเพียงแค่นั้นพอเราได้มาเราก็อยากจะได้ต่อไปและในขณะนั้นก็เกิดความวิตกกังวล เราจะไปหาเพิ่มขึ้นได้อย่างไรถ้าสมมติบบ่าเงินเราเหม็มีไม่เพียงพอหรือว่าโอกาสเราหาไม่ได้เราก็จะนึกอยู่เลยในใจทําให้เกิดความไม่ตกกังวลแล้วก็ความรุ่มร้อนความอยากจะได้ฉะนั้นจิตเช่นนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่จิตที่เย็นไม่ใช่จิตที่สงบเพราะฉะนั้นม่อมันไม่สงบมันไม่เย็นมันก็เกิร้ อ, รอนเพราะฉะนั้นทีฉนันจเรียกว่าเป็นสุกเผาไหม้เตรียมแต่ว่าเป็นเผาไหม้เกรียมที่เจ้าตัวไม่สํำนึก จำเ น, นขึ้นมาเมื่อไรมันก็พองเตรียมซะจนกระทั่งเกือบจะแก้ไม่ได้ครับท่านจ้คุณอาจารย์ครับผมไปฟังดนตรีผมอ่านหนังสืออ่านวรรณกรรมผมก็มีความสุข ห, หรือาบางทีผมกินเบียรผมก็รู้สึกเพลินเพลนดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นความสุขไม่ใช่หรอรบก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ว่าในความสุขนั้นมันมีนมอะไรแฝงอยู่คือหนึ่งก็มีลักษณะการที่คล้ายๆว่ากรบทุก ใใคล้ายว่าเรามีอะไรไม่สบายหรือว่าเราหาทางออกไม่ได้อะไรสักอย่างเราไม่สามารถมีความสุขอะไรได้ตนเองเราก็หาอะไรมากล่อมการที่หาอะไรมากล่อมบอกอยู่ในตัวแล้วพอตัวเองนี่หมดความสามารถนั้นได้ตนเองนะทำตัวเองให้มีความสุขเองไม่ได้แต่ไปเอาเครื่องกล่อม นี่เครื่องกล่อมบางชนิดนี่ไม่ค่อยมีพิษแต่เครื่องกล่อมบางชนิดมีพิษมากเ <c oughs> ช่นจุรางในต้นสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ย <c oughs> เป็นเครื่องกล่อมที่อันตรายทีนี้เครื่องกล่อมแม้จะไม่มีอันตรายที่เห็นชัดแต่ว่าอย่างน้อยทําให้เราสูญสียอิสรภาพหมายความว่าเราไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองต้องขึ้นต่อมันลักษณะนี้จะเป็นแบบเดียวกับความสุขที่เสพวัตถุเหมือนกันเหมือนอย่างเราต้องการเสพทางตาทางหูทางจมูกเนี่ย สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้แสวงหาความสุขแบบนี้ก็คือการสูญเสียอิสรภาพคือเราฝากชีวิตและความสุขของเราเนี่ยขึ้นต่อวัตถุเหล่านั้นครับเราไม่สามารถมีความสุขในตนเองทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวไม่มีส ต, ติเนี่ยเราจะปล่อยตัวเองไปจนกระทั่งว่าไอ้ความเป็นอิสระของเราเนี่ยหมดลงไปทุกทีน้อยลงไปทุกทีเราขึ้นต่อวัตถุมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดนี้หมดอิสรภาพเลยเพราะว่าถ้าหากไม่มีวัตถุ ที่ต้องการจะเสพแล้วจะมีความเร่าร้อนกวนกระวายทุรนทุรายอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้สอนว่าให้ต้องเลิกสิ่งเหล่านี้นะแต่ว่าอย่างน้อยให้เรามีสติในตอนแรกนี่ยอมรับความเป็นมนุษย์บุตุชนคือเรายังไม่มีทางได้ความสุขที่ท่านเรียกว่าประณีตกว่านี้ เราก็ต้องอยู่กับมันแต่ว่าทํายังไงจะให้มันมีพิษน้อยแล้วเราได้ผลดีจากมันก็คือการมีสติและทําสิ่งที่เรียกว่าพอดีครับและเครื่องกลองประเภทนดนตรีวรรณกรรม<น>พวกนี้ก็เป็นเครื่องกลองที่ดีไม่ใช่หรือครับเป็นเครื่องกลองที่ดีแต่ว่ามันก็มีความเป็นสิ่งที่ทําให้เราขาดอิสรภาพที่ว่าถ้าเราไม่มีสติเราไม่พัฒนาในการที่ว่าทําให้ตัวนี้สามารถมีความสุขได้ตนเองมากขึ้นครับ และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นถ้าเราใช้ให้เป็นเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นน่ะมาเป็นเครื่องมือพัฒนาตัวเรารเพราะว่าพร้อมกับการที่เราหาความสุขจากดนตรีหรือจากพวกหนังสือนังหาอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ในเวลานั้นคือการพัฒนาจิตใจคุณธรรมและสติปัญญาความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้เราถือโอกาสได้ไปด้วยเพราะนั้นเราอาจจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อในการพัฒนาชีวิตของเรา แล้วเราอาจจะเข้าถึงความสุขที่ประนี้กว่านั้นจกนกระทั่งว่าต่อไปเราจะข้ามขั้นไม่ต้องมาสายมันอีกก็ได้ถ้าเรารู้จักใช้นั่นเลยครับนี่ตอนนี้เนี่ยมีคนอย า, ากจะหาความสุขเนี่ยก็ดูฝรั่งกันแบบอย่างอยู่บ้านมีห้องแอร์มีมปูปูปูพรมอย่างดีนะครับทุกอย่างก็บอกว่าแบบฝรั่งก็มีความสุขท่านเจ้าคุณอาจารย์เห็นอย่างไรครับก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งคือความสุขนี่เราต้องวิเคราะห์ว่าอยู่ที่อะไร คือเกิดมีความพอใจชอบอย่างนั้นเห็นว่าอย่างนั้นดีเชื่อแล้วได้สนองความต้องการแบบนั้นบางทีไอตัวที่ทำให้มีความสุขเนะี่ยมันอยู่ที่ไอตัวเจ้าความเชื่ออันนั้นเท่านั้นเองสุขอย่างฝรั่ง ท่านจรมาจุนคิดไงครับก <c oughs> ่อนที่จะถึงสุขอย่างฝรั่งนะคะขออนุญาตประธานคำที่ท่านาอาจารย์พูดว่ากรบทุกมาพูดต่อสันนกนิดหนึ่งนะคะ<ช>ว่าเดี๋ยวนี้นะคะชีวิตของเราแล้วก็ไม่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยทั่วไปหมดเนี่ยคะ่ะเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยการกรบทุกใช่หรือเปล่า อยากจะขอเสนอให้ทุกๆ ท, ท่านได้ลองได้ลองช่วยกันคิดเรากลบความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในใจด้วยการกินด้วยการเที่ยวด้วยการซื้อด้วยการมารมแล้วก็ด้วยสารพัดละคะ่ะ แล้วก็พอเรากรบไปชั่วครั้งแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับระเบิดขึ้นมาอีกแล้วเราก็หันไปกรบอีกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้แก้ปัญหาให้หมดอย่างจริงใจก็อยากจะขอให้ลองคิดอันนี้ว่าเราเสียเวลาเปล่าหรือเปล่ า, เ, ลาเราจะมีวิธีที่จะแทนที่จะกรบทุกเนี่ยแก้ทุกให้มันสิ้นปัญหาจะดีไหมนะ ค, ะครับทีนี้การอยู่อย่างฝรั่งเนี่ยก็อยากจะต้องอธิบายซะก่อนว่าอย่างฝรั่งนี่คืออะไร ที่เรียกไปอย่างฝรัง่งถ้าการอยู่อย่างฝรั่งนั่นนะคือหมายความถึงว่าการมีความเป็นอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความรู้ดีมีอะไรต่ออะไรที่เจริญในทางเทคโนโลยีนั่นหรือคือการอยู่อย่างฝรัง่งแล้วเราก็เรียกว่านั่นหรือคือความเจริญแล้วที่เป็นความสุขอันนี้ขอฝากคาถามนะคะเรื่องฝรัง่งที่เราพูดว่ามีความสุขแบบฝรั่งเนี่ยเป็นการพูดด้วยการมองฝรัง่งแง่มุมเดียวเรียกว่ามองแบบสรุผล ไม่ได้มองว่าในชีวิตที่ฝรั่งเขามีความเป็นอยู่อย่างนั้ น, นเขาทําอะไรบ้าง mm hmm. เขาดําเนินชีวิตอย่างไรความจริงที่ฝรั่งเขาจะอยู่ได้อย่างนั้นอนะ่ะอีกด้านหนึ่งของชีวิตเนี่ยวุ่นวายเร่งรัดนะอยู่ในระบบแข่งขันการหาทรัพย์สินเงินทองหาผลประโยชน์ชีวิตเขาเร่าร้อนพอสมควรทีเดียวอีกด้านหนึ่งเขาฝรั่งเราไม่มองทีนี้การที่จะได้เสวยผลยมันต้องทําเหตุเราเทาดูว่าเสร็จแล้วเราจะเสวยผลแบบนี้ผลที่สุด เราต้องทำเหตุแล้วเราก็จะต้องมีชีวิตแบบฝรั่งที่อีกด้านหนึ่งคือด้านการกระทำต่างๆเช่นมีความเร่าร้อนกระวนกระวายในการดำเนินชีวิตเวลาไม่พอเวลาไม่มีเดือดร้อนวุ่นวายอันนี้เป็นปัญหามากของฝรัง่งทาไมไรบอกว่าสังคมฝรั่งมีปัญหาจิตใจเรื่องความเครียดเป็นต้นมากเราดูแค่เป็นอยู่เรานึกว่าเขาไม่เครียดหรือไงจริงๆนั้นฝรั่งที่อยู่ห้องแอร์นั่นน่ะจิตใจเครียดเต็มที ก็หมายความว่าสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่จิตใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมทําสมาธิผมก็มีความสุขแล้วผมก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆตกลงนั่นอันนั้นคือความสุขู้เป่าครับอันนั้นก็อีกด้านหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าคงจะเป็นก็เป็นอีกเพียงด้านหนึ่งเท่านั้นแหละคือท่านก็ให้ไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธความจริงสักด้านเดียวความสุขทางกายท่านก็บอกก็มีเรียกว่าความสุขทางกายความสุขทางใจก็มีท่านก็เรียกว่าความสุขทางใจ ถ้าให้ดีมันก็มีทั้งสองอย่างถา้างนั้นเป็นฤาษีก็มีความสุขสิครับเพอฤาษีก็เข้าสมาธินั่งยานอย่างนี้ถูกต้องแหละครับเพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเห็นด้วยจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็เคยทรงไปทดลองอยู่อย่างฤาษีมาแล้วก็ท่านเรียกว่าเป็นความเอียงสุดไปอีกด้านหนึ่งเพราะว่ามันจะมีปัญหาด้านอื่นต่อไปก็คือว่าเกิดความติดหลงโมเมาในความสุขนะแม้แต่ความสุขทางจิตก็เสพติดเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นสุขแบบสมาธิเนี่ยก็เป็นสุขอย่างเย็นไม่ใช่หรือครับไม่ได้เล่าร้อนไม่ได้สุกกอไก่แต่ว่าสุขอย่างเย็นแล้ท่านอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยสุดตรงท่านนี่เย็นคือในในความเย็นนะนะคะมันมีความอย า, อยากอยู่ด้วยนะคะคือในขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยก็เย็นแต่ในขณะนั้นเนี่ยอยากจะนั่งสมาธิเรื่อยความอยากคือตัณหาเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นพอ ไม่เดินทางทำสมาธิอย่างที่ต้องการก็เกิดความดิ้นรนกระวนกระวายเพราะฉะนั้นสุขใดก็ตามที่ต้องการให้ได้ยัางใจแม้แต่การทำสมาธิที่อยากจะนั่งให้ได้ย่างใจตลอดเวลาให้สุขสงบตลอดเวลาก็เรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดจากการจะเอาอย่างใจมันก็ยังสุกร้อนอยู่นั่นเองเพราะมันมีความอยากอยูอย่เบื้องหลังท่านอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นผมถ้าเราคิดถึงเรื่องสุขทางจิตมีหลายคนบอกว่า คนเมาไม่ต้องคิดอะไรก็มีความสุขทางจิตคนบ้าไม่ต้องคิดอะไรเพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องอะไรนะครับเขาก็มีความสุขทางจิตเนี่ยอันนี้เป็นความจริงหรือเปล่าครับก็เป็นความสุขแบบเพลินๆท่านเรียกว่าเป็นความหลงไอ้ความหลงนี่ไม่ดีแน่เรื่องมันไม่สว่างมันไม่โปร่งไม่โล่งมันไม่เป็นปรไปด้วยกับความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายความสุขที่แท้นั้นมันจะต้องมีพร้อมกับอิสรภาพและความสว่างความเบิกบาน ดังนั้นความสุขแบบที่หลงจะเป็นกล่กอมก็ตามหรือเป็นความไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นเนี่ยมันมีความหลงแทรกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แม้แต่ไปทำสมาธิอย่างที่ว่าเพลินในสมาธิจิตก็ดิ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกจากหลงติดแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเกียดคร้านอันนี้ทางพระท่านเตือนนะแต่บอกสมาธิมีข้อดีอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยทให้จิตมีพลังทาให้จิตใส เกกูลกการใช้ปัญญามองเห็นอะไรชัดเจนแล้วก็ทำให้มีความสงบสุขแต่มีโทษโทษอะไรข้อเสียของสมาธิคือทำให้เกียดตคลานได้เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติท่านจึงให้มีการใช้วิธีแห่งดุลยภาพท่านเรียกว่าปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอนะถ้าว่าสมาธิมันมากไปแล้วจะต้องเอาตัววิริยะความเพียรมาช่วยมาแก้มาปรับแล้วจะเกิดความพอดีขึ้น mm. อันนี้ตมาว่า มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแห่งหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องความสุขในนรซึ่งน่าจะเอามาใช้กันนะ่ะองจัดไว้อย่างงี้บอกว่าการปฏิบัติต่อเรื่องสุขทุกเนี่ยหนึ่งไม่เอาทุกทับถมตนที่ไม่มีทุกสองไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำสามแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่ติดหลงและก็ข้อที่สี่นี่เป็นคำบรรยายทั่วไปก็คือว่า ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปนี่เลยพอนถ้าอยากปฏิบัติตามหลักการนี้และจะบอกว่าเราจะทำตัวดำเนินชีวิตในเรื่องสุขทุกได้ถูกต้องถูก<อ>คิดกันได้นิดหนึ่งมีคนก็เชื่อว่าทุ ก, ก็อยู่ที่ใจสุข ก, ก็อยู่ที่ใจ เพราะฉะนั้นเวลาบางคนทําอะไรผิดเช่นไปฆ่าคนเดิขาตายก็ทําบุญให้เขาซะะกดน้ําอุทิษณ์กุศลให้เขาเใจเราสบายเราก็ลืมไม่ต้องคิดถึงว่าเราได้ทําผิดมาแล้วในอดีตตั้งต้นจากปัจจุบันไปก็แล้วกันไ ป, ไปอันว่าแปลว่าจิตใจก็สบายก็มีความสุขท่านจะคุณอาจารย์จะจะว่าไงครับตรง น, นี้เขาไม่รู้ตัวหรอกว่ามันมีอะไรแฝงอยู่เพราะว่าความหลงกล่อมตัวเองด้วยการเข้าใจอย่างนั้นนะเอาความเชื่อเนี่ย พอเราได้ทําบุญให้เขาแล้วนะเราสบายใจเราก็เอาความเชื่อ น, นี้มากล่อมใจไว้ใต้ความกล่อมนั้นมันก็มีไอตัวที่ฝังลึกอยู่อะตัวได้ทําความผิดอันนี้มันไม่ได้หายไปไหนเพราะนั้นเราไม่ได้แก้ที่สาเหตุเพราะนั้นเขาทำใจได้จริงจริงนะครับทําใจได้มันก็กลายเป็นว่าจิตของเขาเนี่ยมันสูญเสียความละเอียดอ่อนบางอย่างไปการที่จะมองอะไรแต่ะอะไให้ละเอียดนี่มันถูกเจ้าตัวนี้ยมากล่อมไว้ลึกขัดไว้ขวางไว้ เป็นความเชื่อที่มาไว้คล้ายๆในแง่หนึ่งเหมือนกับมาหลอกตัวเองไว้ด้วยก็ช่วยให้ตัวเองสบายไปเหมือนกันแต่ว่าพร้อมกันนั้นความละเอียดของสติปัญญาจะลดลงไปครับโดยไม่รู้ตัวถ้าอย่างนั้นผมชักอยากจะรู้แล้วครั บ, บสุขทางกายสุขที่ผมประสาททั้งหลายผมสัมผัสเนี่ยถ้าอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่มันก็เป็นสุขอะแต่ว่ามันยังไม่ผอมพื้นฐานมากได้โปรดใต้จิตท่าอาจารย์ก็ดึงไว้ว่าถ้าสุขกต้จิตอย่างเดียวมันก็ติดมันก็หลงมันก็ไม่ไหวถ้างั้นอะไรคือสุขครับ คือเรามามองถึงการพัฒนามนุษย์ก่อนทางพุทธศาสนานี่ถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนพัฒนาแล้วเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปแล้วสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้ อ, ของกับตัวมนุษย์มันก็พัฒนาไปหมดแหละเมื่อเราพัฒนาคนทั้งคนความสุขนี้ก็จะพัฒนาขึ้นไปด้วยความสุขพัฒนาขึ้นไปก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของด้านจิตใจ เราพัฒนาคนเราก็ต้องพัฒนาไปพร้อมกันทั้งสามส่วนท่านแยกไว้ง่ายๆโดยสรุปหนึ่งด้านพฤติกรรมสองด้านจิตใจสามปัญญาอันนี้เราจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงความสุขเราก็มาพูดด้านกายบ้างนะเช่นเศวตถุเราก็มุ่งไปด้านพฤติกรรมในการแสวงหาได้สิ่งนั้นมาสองก็เรื่องจิตใจว่ามีความสุขในสมาธิเป็นต้นแต่เราจะมองข้ามองค์ประกอบอีกด้านหนึ่งคือปัญญาปัญญาที่สว่างที่ มีความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายรู้เท่าทันมันอะไรต่างๆที่เราปฏิบัติเราเข้าไปเกี่ยวข้องแม้แต่ความสุขที่เราเสพเราเสพอย่างไม่รู้เท่าทันนี้เกิดพิษได้นั้นถ้าเรามีปัญญารู้เท่าทันเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นั้นความสุขต่างๆนี้จะต้องมีการปรับอยู่เสมอด้วยปัญญาแล้วเราจะพัฒนาคุณภาพของความสุขด้วยความสุขจะเปลี่ยนไปอย่างเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่าหลายคนพูดว่าความสุขอยู่ทิศใจ แต่บางคนอาจจะพูดว่าความสุขอยู่ที่ความพอใจใช่ไหมเลยครับถ้าพอใจก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราพอใจกับการเสพวัตถุเราได้วัตถุมาเราเสพเราก็พอใจนี่ก็เป็นความสุขคนที่ปฏิบัติทางจินเขาก็พอใจอย่างนั้นแต่ว่าอะไรที่ทําให้เกิดความพอใจควาพอใจคือการได้สนองความต้องการใช่ไหมตกลงว่าไปไปมาม า, มาความสุขนี้เกิดจากการได้สนองความต้องการเราต้องการเสพวัตถุ เราได้สนองความต้องการนั้นเราก็มีความสุขเราเกิดมีความต้องการอย่างอื่นเราได้ทําตามนั้นเราก็มีความสุขอาตมาจะยกตัวอย่างอย่างนะคือเมื่อกี้นี้เราต้องการเสษวัตถุเราได้วัตถุมาเราก็มีความสุขอันนี้เราอาตมาเคยพูดแล้วว่าเป็นความสุขจากการได้การเอาสําหรับคนเหล่านี้นั้นการสูญเสียวัตถุนั้นคือความทุกข์เพราะมันตรงกันข้ามครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่า ความต้องการเขาคนที่เปลี่ยนได้พัฒนาพัฒนาไม่ใช่หมายความว่าเพิ่มปริมาณนะพัฒนาแปลว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพก็หมายความเราสามารถเปลี่ยนความต้องการของมนุษย์ได้เมื่อพัฒนาความต้องการไปแต่ก่อนนี้เราต้องการได้เราคือต้องการความสุขสําหรับตนเราได้สนองเราก็มีความสุขทีนี้มันอาจจะมีจิตใจที่เปลี่ยนไปโดยที่ว่าดูจากการพัฒนาในชีวิตธรรมดาอย่างคนเป็นพ่อเป็นแม่ พอเป็นพ่อเป็นแม่นี่มันจะมีความต้องการอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือความต้องการต่อลูกต้องการแต่ลูกอย่างไรต้องการให้ลูกเป็นสุขแต่ก่อนนี้อาจจะไม่มีหรือหายากหมองไม่ค่อยพบพอเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเห็นเลยต้องการให้ลูกมีความสุขพอต้องการให้ลูกมีความสุขก็สนองความต้องการนั้นด้วยการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้ลูกมีความสุขโดยมากแล้วคนทั่วไปต้องการวัตถุก่อนเด็กก็ต้องการวัตถุเมื่อเด็กต้องการวัตถุแล้วเขาจะมีความสุข เราก็ให้เขาพอเราให้พ่อแม่ให้กับลูกก็ทําให้ลูกมีความสุขใช่ไหมลูกมีความสุขนั่นคือความต้องการของพ่อแม่พอลูกมีความสุขพ่อแม่ก็เลยพอสุขด้วยเพราะได้สนองความต้องการอะไรคือการสนองความต้องการตัวปัจจัยที่สนองความต้องการคือการให้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อความต้องการเปลี่ยนไปพฤติกรรมเปลี่ยนด้วยความสุขก็เปลี่ยนด้วยเพราะนั้นการให้กลายเป็นความสุขเดิมนั้นการให้คือการเสีย ต้องได้จึงจะสุขเพราะเปลี่ยนคุณภาพความต้องการจิตใจเปลี่ยนไปก็มีความสุขชนิดใหม่ที่ท่านที่คุณอาจารย์เคยเขียนไว้ที่หนึ่งผมอ่าน<ม>บอกว่าความสุขเนี่ยมันต้องสัมพันธ์ระหว่างกระแสความอยา ก, ากน่กับกระแสความจริงตามธรรมชาติาไม่เข้ามาไงครับอันนี้คือขั้นสุดท้ายสําหรับมนุษย์ที่แสวงหาความสุขแบบสนองความอยากเช่นในการเสพวัตถุเขาต้องได้ต้องเอาเนี่ยเขาจะไปเจอ ขั้นสุดท้ายก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยทุกสิ่งต่างทุกสิ่งเนี่ยนะตกอยู่ใต้อำนาจกฎธรรมชาติต้องไปไปตามธรรมชาติกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยตอนนี้แหละที่ว่าการเสพวัตถุที่เขาวัดสุกสุ ข, สขเขาจะเจอปัญหาคือเกิดทุกข์ขึ้นเพราะเจ้ากระแสความต้องการคือความอยากในใจเนี่ยมันเกิดไปขัดกับกระแสกฎธรรมชาติเขาเอาอย่างนี้กันแล้วกันคือว่าวัตถุสิ่งหนึ่งที่เรา ต้องการเนี่ยนะเรารนึกว่าเราได้มาจะมีความสุขเนี่ยเราต้องการเจ้าสิ่งนั้นก็อยู่ในความปรารถนาของเราว่าเออขอให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เกิดเป็นกระแสะขึ้นมาเรียกว่ากระแสะความอยากรกระแสะความอยากของเราพร้อมกันนั้นวัตถุอันเดียวกันนั้นแหละมันมีความเป็นไปของมันเองอยู่แล้วตามธรรมชาติใช่ไหเลยนะความเป็นไปอันนั้นคืออะไรความเป็นไปตามกฎธรรมชาติ เรียกง่ายๆความเป็นไปตามเหตุปัจจัยครเช่นมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเนี่ยเมื่อสิ่งนั้นมีความเป็นไปตามกฎธรรมชาติมันก็เป็นอีกกระแสหนึง่งคือกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยครับบัดนี้สําหรับวัตถุเดียวกันสิ่งเดียวกันนั้นเกิดเป็นสองกระแสคือ1กระแสของความอยากในใจของเราเนะี่ยสิ่งนั้นอยู่ในกระแสนี้ด้วยในเวลาเดียวกันนั้นสิ่งนั้นสิ่งเดียวกันนั้นก็อยู่ในกระแสของกฎธรรมชาติคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยด้วย ตอนนี้แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเกิดเป็นสองกระแสสองกระแสก็คือว่าสองกระแสนี้มันไม่ไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันบ้างไปทางเดียวกันก็ดีแต่ว่ามันมีโอกาสมากที่จะไม่ไปทางเดียวกันพอไม่ไปทางเดียวกันมันก็เกิดความขัดแย้งกันสองกระแสนี้ปะทะกันก็จะต้องถามว่าแล้วกระแสไหนชนะกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือกระแสความอยากของเรา ครับสิ่งนั้นอยู่ในความอยากของเราว่าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าในความจริงมันเป็นไปตามกระแสไหนกระแสที่ชนะแน่นอนคือกระแสกฎธรรมชาติกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยครับ <rhyme. S 2> เมื่อสิ่งนั้นเป็นไปตามกระแสเหตุปัจจัยมันก็ฝืนความปรารถนาของเรากระแสเหตุปัจจัยของธรรมชาติเรียกง่ายๆว่ากระแสธรรมก็ประทะเข้าก <char> ับกระแสความอยากของคนซึ่งเรียกง่ายๆว่ากระแสของคน เมื่อกระแสของธรรมกับกระแสของคนปะทะกันกระแสธรรมชนะคนก็ถูกบีบคั้นก็เลยไม่มีก็เลยเกิดความทุกข์สิทุกเลยทันทีแหละเพราะเกิดความทุกข์ขึ้นก็นี่ก็คือปัญหาทีนี้เลยพ่อเราสามารถก้าวแก้ไขได้เรื่องนี้ครับผมผมยังไม่ค่อยกระจ่างตรงนี้นะครับเพราะว่าผมยังเข้าไม่ค่อยถึงท่านอาจารย์จูนเจกรูนายกตัวอย่างให้ผมฟังได้ไหมครับกระแส แห่งเหตุปัจจัยหรือกระแสตามธรรมธรรมชาตินะครับกับกระแสของคนกระแสความอยากของคนเนี่ยผมยังยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ครับถ้าตามความเข้าใจออของดิฉันที่ที่คิดง่ายๆนะคะถ้ากระแสความอยากของคนก็คือกระแสตามใจกิเลสโลภโกรธหลง แล้วก็ตันหาความอยากแล้วก็อุปทานความยึดมั่นที่ตนมีอยู่ถ้ากระแสะทางธรรมนั่นก็คือกระแสะที่เราได้เรียนรู้และอาจจะได้ฝึกอบรมมาบ้างในเรื่องของความไม่เที่ยงความเกิดดับความที่จะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ไม่สามารถจะบังคับใจของตนให้ทําตามกระแสธรรมได้ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าจ๊ะค่ะคุณผ่อนอันนั้นก็เป็นขั้นหนึ่งแต่ขั้นที่จริงแท้ก็คือว่า สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติอยู่โดยตัวมันเองแน่นอนก็คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่ว่าอะไรที่เราชอบใจสักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้สิ่งนั้นน่ะเราก็เช่นว่าเราอยากให้มันอยู่กับเราตลอดไปนะ<ต>ยกไปแต่มันเป็นอนนี้จังมันอาจจะไม่อยู่ก็นั่นแหละนี้แหละที่ว่ามันอยู่ในสองกระแสกระแสของเราคือกระแสความอยากขอให้สิ่งนี้อยู่กับเราตลอดไปครับทีนี้กระแสของธรรมหรือกระแสกฎธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือว่า มันไม่เที่ยงมันก็แตกดับมันสลายของนั้นก็เกิดการสิ้นสุดลงไปนะะพลัดพรากกันพอการพลัดพรากเกิดขึ้นหมายความมันกระแสเหตุปัจจัยกระแสกฎธรรมชาติชนะใช่ครับเพราะนั่นคือความจริงกระแสของเราคือกระแสความอยากก็ถูกฝืนถูกขัดเราก็ทุกขันทีถ้าอย่างนั้นก็สอดคล้องกับสุขที่เป็นอิสระที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้พูดตอนต้นใช่ไหมครับคือ คือถ้าสมมุติว่าวัตถุนี้เราไป<ล> ย, ยึดติด<ล>หรือว่า เ, <ล>เราจะไปผ <พอ S 1> ูกพันธุ์เราก็ไม่เป็นอิสระไม่เป็นอิสระเพราะฉะนั้นสุขที่เป็นแท้จริงก็จะต้องเป็นอิสระไม่ผูกติดไม่ไม่พึ่งพาสิ่งใดทั้งสิ้นใช่ไหมครับเลยพอในขั้นสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็อยู่ที่การปฏิบัติต่อสุขแม้แต่การเสพวัตถุนี้ปฏิบัติถูกต้องมันก็ไม่เกิดพิษต่อเราครับหมายความว่าเรามีความสุขที่เป็นอิสระนี้เป็นฐานรองรับอยู่มันจะเป็นตัวเอื้อ หรือเป็นตัวที่ช่วยให้การหาความสุขแบบอื่นเนี่ยพลอยประณีดดีขึ้นไปด้วยนี่เป็นชาวบ้าน<ท>อย่างผมฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยก็บอกว่าไปไม่ถึงแน่เลครับสุขอย่างอิสระอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ากับผมยังยังเป็นบัวใต้น้ําอยู่นะครับฟังแล้วนั่นเป็นเรื่องของของพระคุณเจ้าหรือคนที่อยากจะหนีทุกข์จริงๆเนี่ยนะครับจะว่าอย่างไงครับเห็นจะไม่ใช่เพราะคนทั่วไปเพียงได้ใช้หลักการนี้นิดเดียวเขาก็เริ่มสุขมากขึ้น แล้วเขาจะเริ่มปฏิบัติต่อวัตถุหรือความสุขในขั้นต้นๆนี้ดีขึ้นแล้วได้รับโทษทุกข์ภัยจากมันน้อยลงหมายความว่าอย่างน้อยเขาจะได้สุขจากมันมากกว่าได้ทุกหรือว่าสุขกัมันโดยแทบจะไม่มีทุกเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเขาไม่เข้าถึงเขาไม่เท่าทันนี้เขาวางใจไม่ถูกใช่ว่าสิ่งนั้นเขาเขาชอบเขารักเกิดมัน แตกดับสลายไปเนี่ยเขาวางใจไม่ทันใช่มครับอันนี้คือกระแสกฎธรรมชาติบัญชนะครับกระแสความอยากของเขาถูกบีบถูกกดเขาก็ทุกทันทีครนี่ถ้าเขามีความรู้เท่าทันปั๊บนี่พอเขารู้เท่าทันปั๊บเอาความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้อ้อนิธรรมดาก็เหมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเขาก็ยังเขาก็ทําใจให้พ้นจากความทุกข์นั้นไปได้เหมือนกันหรืออย่างน้อยก็ทุกน้อยลงครับเลยมันใช้ได้ทันทีสำหรับทุกคนครับเป็นแต่ว่ายิ่งพัฒนาไป เราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะทุกน้อยลงและสุขมากขึ้นท่านอาจารย์นจนจะมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับดิ <c oughs> ฉันมีติดใจ <c oughs> ที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พูดถึงเรื่องการที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของปัญญาพัฒนาปัญญาเพื่อให้สุขคุณภาพและท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างในเรื่องของพ่อแม่ที่ต้องการความสุขและก็เมื่อมีลูกขึ้นมา <c oughs> ก็อยากให้ลูกมีความสุขเพราะฉะนั้นก็ คือความสุขตามความพอใจของพ่อแม่ท่านที่วาาิาญาณใช้คำว่าพอใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ด้วยการให้แก่ลูกเท่าที่สามารถจะให้ได้และในส่วนมากที่พ่อแม่ให้ก็คือการให้วัตถุ ตามที่ต้องการเพื่อให้เกิดความพอใจแก่ลูกแล้วพ่อแม่ก็มีความสุขตามความพอใจของพ่อแม่ที่ได้เห็นลูกมีความสุขพระได้อย่างใจอยากจะกรับเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าการที่ให้ในลักษณะ น, นั้นคือเปลี่ยนการที่จะเอาแต่ใจของพ่อแม่ไปเป็นการให้ในลักษณะ น, นั้นที่ให้แก่ลูกตามตัวอย่างเช่นนั้นอันนั้นจะเป็นความหมายว่าเป็นการให้ความสุขที่ถูกต้องและแท้จริงแก่ลูกหรือไม่จ้าคะ การที่ความสุขจากการให้จะเกิดขึ้นมันต้องปรับจิตใจหมายความว่าสภาพจิตต้องเปลี่ยนไปคือมีความต้องการแบบใหม่เกิดขึ้นคือต้องการให้คนอื่นมีความสุขจากจุดเนี้เราใช้พัฒนามนุษย์ทําให้คนเราสามารถมีความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันและคนเราสามารถหาความสุขจากการ น, นี้แต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจบเท่านี้เพราะว่ามันก็ยังต้องพึ่งพาเหมือนกันต้องอาศัยการที่ว่าอ้อทําให้เขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขด้วย แต่อย่างน้อยมันเป็นความสุขแบบอิงอาศัยกันและเอื้อต่อกันประสานกันมไม่ใช่ความสุขแบบยั่งชิงเหมือนการได้การเอาอันนั้นหมายความว่าคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียคนหนึ่งสุขคนหนึ่งทุกแต่ตอนนี้จะสุขก็สุขด้วยกันแหละแล้วมันก็ช่วยในทางสังคมด้วยทําให้คนนี้ช่วยเหลือให้กกันถ้าหากว่าเราพัฒนาสภาพจิตนี้ขึ้นได้ในหมู่คนทั่วไปเพื่อนมนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันก็จะลดการเบียดเบียนกันทําให้สังคมร่มเย็ยนเป็นสุขขึ้น แต่ว่าเราคงไม่หยุดอยู่เท่านั้นเพราะการปฏิบัติของพ่อแม่นี้ก็คือถ้าหากว่ายังไม่ประกอบได้ปัญญาเพียงพอมันก็อาจจะทำให้เกิดโทษได้ก็กลายเป็นการตามใจลูกอะไรต่างๆไปซึ่งก็อันนี้มันจะเข้าหลักธรรมอีกชุดหนึ่งถ้าเรียกว่าหลักพรมวิหารสําหรับชาวพุทธนี่จะเข้าใจดีแม้เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต่อสถานการณ์โดยใช้ปัญญาเป็นตัวคุมในขั้นสุดท้ายเพราะว่าการให อาจจะทำให้เด็กเนี่ยไม่รู้จักพัฒนาตัวเองกันได้เพราะว่าได้สนองความต้องการของตนง่ายตัวเองเลยไม่ได้พัฒนาตัวเองนั้นการเลี้ยงลูกโดยวิธีที่มีแต่เมตตามแม้แต่ด้วยกรุณาตามมา ก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปฏิบัติหลักธรรมแบบเป็นชุดเป็นองค์รว ม, มถ้าไม่มีดุลยภาพในการปฏิบัติตอ่อลูกแล้วชีวิตของลูกก็อาจจะเสียได้เหมือนกันไม่ทราบอันวิภาพตอบได้ตรงหรือเปล่าใช่เจ้าค่ะคือจุดนี้เจ้าค่ะที่ได้มองเห็นว่าพ่อแม่ในปัจจุบันมักจะถือความพอใจของตนที่จะได้ความสักจากลูกด้วยการให้ คือได้การตามใจลูกและผลที่สุดก็น่าเสียดายที่พอลูกเติบโตขึ้นไม่สามารถจะนำความสุขมาสู่ใจของพ่อแม่เลยเพราะลูกกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวและก็ได้รับมากจนกระทั่งไม่ยอมหาครับผมเป็นชาวบ้านฟังอยู่อย่างนี้นะครับบอกยังไปไม่ถึงแน่ไม่ว่าจะสมาธิทางใจหรือว่าจะเป็นทางปัญญา น, นะครับแต่ว่าผมยังสุขพื้นฐา น, นผมยังหาอะไรใส่ตามที่ใจอยากจะได้ตามที่หูเสียงรูปรล่นกินเสียงทั้งหลาย ก็เลยทำให้ผมมีคำถามขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าได้ได้อย่างน้อยบอกว่าต้องถือศีลห้าเนี่ยศีลห้าช่วยตรงไหนครับกับความสุขแบบพื้นฐานตรงนั้นนะครับก็ช่วยนี่แหละคือเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมพัฒนาไปหาความสุขที่ประณีตขึ้นมันก็จะต้องเกิดพิษที่ว่าในทางสังคมเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างที่ว่าแล้วก็ธรรมชาติแวดล้อมก็ทาลายทรัพยากรมากเป็นต้น ตลอดจนเกิดมลภาวะอะไรต่างๆชีวิตของตัวเองก็ต้องมีปัญหาอย่างที่ว่าแล้วแต่นี้ถ้าเราอยู่ในระดับนี้ท่านก็ยอมรับแต่ว่าท่านก็เลยว่าเพื่อจะช่วยให้พออยู่ได้ท่านก็เลยให้ศีลห้ามาเป็นกรอบสําหรับมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมจะได้ไม่แสวงหาความสุขจากวัตถุนี้จนกระทั่งเบียดเบียนกันก่อความเดือดร้อนจนสังคมอยู่ไม่ได้หมายความว่าเอาละคุณจะหาความสุขทากวัตถุก็หาไปเถอะแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้มีกรอบอยู่แค่ศีลห้า แล้วคุณไม่ละเมิดต่อไปต่อการแค่เนี้ยสังคมพออยู่ได้แต่คุณก็จะมีความสุขอยู่ในระดับเนี้ยซึ่งต้องยอมรับว่าคุณจะไม่สุขจริงเลยสมบูรณ์เพราะว่าปัญหาทางสังคมไม่หมดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมไม่หมดปัญหาชีวิตของคุณก็ไม่หมดนะแต่ว่าคุณพออยู่กันได้แล้วคุณก็ได้ความสุขจากวัตถุพอสมควรแล้วก็ทุกคนในพอได้บ้างมายถึงกับว่า คนจํานวนหนึ่งได้ถ้าเต็มสมบูรณ์แต่อีกคนหนึ่งอีกพคหนึ่งน่ยขาดแคลนไม่มีจะใช้ไม่มีจะบริโภคแล้วกันไในที่สุดก็เดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็อยู่กันไม่ได้ส่งผลลุกเป็นไฟคือสินค้าก็มีไว้กํากับเป็นกรอบไม่มให้ไม่เดือดร้อนไม่กระทบคนอื่นให้การาากหาความสุขจากอามิธวัตถุหรือทีิฏฐิรกรรมสุขเนี่ยให้มนุษย์หมู่มนุษย์ที่อยู่ในการมาสุขเนี่ยพออยู่กันได้ครับถ้าอย่างนั้นคนที่ถือศีลมากขึ้นเนี่ย ก็ยิ่งทำให้กำกับไอไอความสุขพื้นฐานนั้นมากขึ้นใช่ไหมครับเช่นจากสินห้าเป็นสินแปดเลยพออ้านนั้นจะเป็นวิธีพัฒนามนุษย์อันที่หนึ่งก็คือว่าอย่างที่บอกแล้วว่าการหาความสุขจากวัตถุอามิตรเนี่ยถ้าเรายิ่งหาความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันก็ว่าอย่างนั้นครับเราก็ต้องขึ้นต่ ว, วัตถุมากขึ้นต้องหามากขึ้นจึงจะสุขมากขึ้นสิ่งนั้นในปริมาณเท่าเดิม ที่เคยทําให้มีความสุขต่อมาไม่มีความสุขแถมกลายเป็นทุกข์เลยนะคนที่เคยได้แต่ก่อนไม่มีเงินเลยบอกว่าได้เดือนรับสองพันนี่บอกแม้ถ้าฉันได้แค่นั้นเราแม้ฉันจะมีความสุขแสนสุขที่สุดนะต่อมาเขาก็ได้จริงๆได้สองพันโอตอนแรกรได้ตอนแรกนะั้นเขามีความสุขจริงๆต่อมาเขาก็แสวงหาได้เก่งขึ้นเขาได้เดือนละหมื่น ถ้าเดือนไหนเกิดได้สองพตอนนี้ทุกเลยนะทั้ทงท้งที่สองพันนั้นเคยทําให้สุขเต็มที่ตอนนี้สองพันกลายเป็นทุกขต่อมาพอหาได้แสนเกิดเดือนไหนได้หมื่นเดือนนั้นเป็นทุกนะเพราะฉะนั้นปริมาณนี่มันต้องเพิ่มเรื่อยเราต้องขึ้นต่อ ว, วัตถุมากขึ้นทุกทีอันนี้คือปัญหาในเรื่องของการเสพอามิครับนี้ว่าถ้าเราปล่อยชีวิตอย่างนี้ไม่มีสติชีวิตของเราจะขึ้นต่อ ว, วัตถุมากขึ้นทุกทีเมื่อขึ้นต่อ ว, วัตถุมากขึ้นความสุขไม่มีในตัวเองเราสูญเสียอิสรภาพ เราจะมีวัตถุอย่างนี้ต้องอยู่ที่นี่เร้มีวัตถุงพราอๆเราสุกถ้าเกิดจะต้องไปไหนหรือขาดวัตถุนึกขึ้นมาเราทุรนทุลายไม่มีความสุขทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าเพื่อให้คุณเนี่ยรักษาอิสรภาพไว้ได้บ้างนะแม้จะยังเสพวัตถุอยู่ก็บอกว่าเอานะสักแปวันครั้งหนึ่งมาถือศีลอุโบสถ ก็เพิ่มข้อที่ไม่เกี่ยวกับสังคมโดยตรงและเราจะเห็นว่าศีลห้าเนี่เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมสังคมไม่เบียดเบียนกันไม่ละเมิดทางร่างกายชีวิตไม่ละเมิดทรัพย์สินอะไรต่างๆเป็นต้นแต่พอมาศีลแปที่เพิ่มเข้ามาเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวก็บอกว่าคุณไม่ต้องกินอาหารเกินครึ่งวันสมมติว่าอย่างนี้เอาหมายความกินตามเวลาและพอนะไม่ต้องตามใจลิ้นไม่ต้องหาความสุขจากการเสพรสอร่อยของอาหาร แล้วก็เรื่องที่นอนก็เออแปดวันทีนอนพื้นนอนเสื่อนะไม่ต้องหาความสุขจากการนอนฟูกนอนที่หรูหราลองดูสิว่าเราจะสามารถอยู่ดีมีสุขได้ไหมโดยการเป็นอยู่อย่างนี้นีถ้าเราเป็นอยู่ได้เราก็ไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุมากเกินไปเป็นการฝึกใช่ไหมครับเป็นการฝึกชนิดหนึ่งศีล น, นี่ก็เป็นเรื่องฝึกด้วยในตัวถ้าอย่างนั้นพระที่ถือ2องยี่สบเจ็นะครั บ, รบเล่น ก, ก็เป็นการฝึกให้มากขึ้น หรือว่าจะพูดได้ไหมครับว่าผู้ที่ถือศีลมากจะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยพูดอย่างนั้นได้ไหมครับเป็นวิธีฝึกถ้าหากว่าผู้ที่ฝึกตัวเองนั้นไม่ยอมรับการฝึกก็ทุกข์นะเพราะการฝึกนี่ถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นฝึกมันก็เป็นฝืนใช่ไหมลุงหมอฝืนกับฝึกนี่มาคู่กันถ้าเมื่เรารู้สึกว่าเป็นฝึกเราก็สบายใจพอใจถ้าเราเกิดไม่ไม่ยอมรับเราไม่ฝึกแล้วกลายเป็นฝืนใจก็เป็นทุกข์ไปเลย แต่ว่าอันนี้วิไนในสีนั้นโดยตัวของมันเองนั้นก็อยู่ในหลักของสิกขาจะเรียกว่าเป็นการศึกษาอยู่แล้วเป็นการฝึกมนุษย์ในความหมายของการฝึกอย่างหนึ่งคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตัวเองของคนเพราะนั้นวิไนของพระนี่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการดําเนินชีวิตให้เอื้อต่อการพัฒนาสู่จุดหมายถ้าท่านดําเนินตามวิไนาตามศีของท่านแล้วการที่จะพัฒนาตัวเองจะได้ผลดียิ่งขึ้นรแต่ว่าอาตมาอยากจะวกกลับมาเรื่องศีแปดอีกนิดหนึ่ง ที่บอกว่าเป็นวิธีฝึกให้เราเนี่ยรักษาอิสระภาพของเราไว้ไดนะ้คือมันจะทำให้เราเนี่ยมีความขึ้นต่อวัตถุน้อยลงแต่ก่อนนี้เราจะมีสภาพที่ว่าต้องมีต้องมีถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่ได้นะเป็นทุกข์ทุรนทุรายนะต้องมีอย่างเดียวต้องมีจึงอยู่ได้ถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้ทีนี้ถ้าเรารักษาอิสระภาพไม่ได้จะการรักษาสิ่8เตือนไว้นะ ถึงแม้ไม่รักษาสินแบก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นวิธีฝึกคือเราทําให้ได้อย่างนั้นให้ได้เจตนาลมของสินแบเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นสุขด้วยตนเองโดยอาศัยวัตถุน้อยลงเราจะมาถึงขั้นที่บอกว่าเออมีก็ดีไม่มีก็ได้ใช่ไหมวัตถุเหล่านั้นเออมีก็ดีเราก็ใช้ได้สบายก็มีความสุขแต่เกิดไม่มีขึ้นมาเราก็อยู่ได้ครับตอนนี้เราจะพัฒนาขึ้นอีกหมายความว่าอย่างน้อยเราไม่สูญสิทอิสรภาพนะต่อมาบางคนนี่ เขาขึ้นแต่ว่าถูน้อยลงมันจะมาถึงขั้นต่อไปก็บอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีนะบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะั่นเลยบอนเพราะมีมันกลายเป็นรกลุงรังและชีวิตเราแบกพรุงพลังวุ่นวายมากมเวลาไม่มีสิ่งเหล่านั้นรู้สึกมันปลอดโปร่งแต่จะไปเป็นถึงกระโปรงคิ๊ปี้ก็แล้วกันมันจะหนักไปหน่อยอาตมาว่าเนี่ยอันนี้เรื่องของจิตใจของคนนี่มันก็มีการปรับได้ก็จึงบอกว่ามันอยู่ที่การพัฒนาคนเรเบรับ ท่าอาจารย์มีอะไรตรงนี้ไหมครับอยากจะกลับเรียนยาถามท่านเจ้ากุฎอาจารย์คะที่ ท, ที่อาจารย์ถามถึงเรื่องของศีลว่าศีลห้าเนี่ยเป็นกรอบเพื่อให้เราได้สามารถดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องงดงามพอสมควรที่นี้โดยปกตินี่คนไทยชาวพุทธนะเจ้าค่ะก็ได้รับศีลห้ากันอยู่แล้วก็คิดว่าเราถือศีลห้า แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ยังไม่ค่อยมีความสุขตามที่สมควรจะมีก็ อ, อ, อยากจะกลับเรียนถามท่านจุกุลอาจารย์ว่าในการที่จะรับศีลห้าสมาทานศีลห้านี้ควรจะรับในลักษณะอย่างใดจึงจะใช้ศีลห้านี้มาเป็นกรอบของชีวิตที่จะนำความสุขมาสู่ชีวิตได้จริงเราก็ต้องมองว่าศีลนี้ในความหมายหนึ่งคือเป็นเครื่องสุขเรา เป็นเครื่องฝึกเพื่อเราเก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่ข้อห้ามถูกไหมครับสีนี่ ใ, ในทางพุทธศาสนานี่แท้จริงแล้วไม่ใช่ข้อห้ามเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ทรงเป็นเพียงผู้ค้นพบความจริงคือพระพุทธเจ้าตัดสอนว่าความจริงมีอยู่แล้วตามธรรมดาของมันพระพุทธเจ้าคือผู้มาค้นพบความจริงนั้นแล้วมาเปิดเผยให้ทราบแตนี้การกระทําของคนนี่ก็เป็นไปตามกฎแห่งเหตุและผลตามกฎธรรมชาติมาทําเหตุร้าย มันก็เกิดผลไม่ดีขึ้นมาทำเหตุดีผลก็ดีนั่นคือการที่เขาได้รับผลจากการกระทำของตนพระพุทธเจ้าก็มาแสดงเห็นว่าเออคุณนะทำอย่างนี้แล้วจะเป็นเหตุให้เกิดผลไม่ดีควรจะเว้นแต่ควรจะทำสิ่งน้นเป็นเหตุที่ดีเป็นการกระทำที่เป็นเหตุนำไปสู่ผลที่ดีรเราก็เออพระพุทธเจ้าสอนจริงนะเราไม่เคยมองเราก็เห็นด้วย พอเห็นด้วยแล้วอ้าวพระพุทธเจ้าบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นตกลงนะเราไม่ควรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นี่สิ่งที่เรียกว่าการละเมิดการการทําชั่วทําผิดศีลเนี่ยไม่ควรทําเราเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นตกลงนะมาฝึกตัว ม, มารับข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่วเหล่านั้นก็เลยมาเขาเรียกว่าสมาทานศีลครับเพราะฉะนั้นในข้อศีลที่แทนเนี่ย เราจะมีคำปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิสมาธิยามิแปลว่าข้าพเจ้าขอรับขอรับเอาสิกขาประทางซึ่งข้อฝึกน่ะสิกขาบทหรือข้อฝึกข้อฝึกปานาติปาตาเวรมณีในการงดเว้นจากการทำลายชีวิตครั บ, รบนี่ก็คือฝึกเราฝึกนะว่าเราเห็นด้วยว่าดีแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยเพราะเราเคยมีความโน้มเอียงที่จะเกิดโทสะที่จะ ไปค่าสัตว์เล่นอะไรต่างๆเหล่านี้เราฝึกนะเราก็เลยเอามาศีลมารับเพราะฉะนั้นการที่เราทําไปแล้วเราได้รับผลดีผลร้ายไม่ใช่เป็นเพราะพระพุทธเจ้ามาลงโทษหรือมาให้รางวัลจะเป็นไปตามกฎเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้ห้ามใค ร, ครไม่ได้สั่งใครเราโดยสาระที่แท้จริงเนี่ยต้องมาฝึกเองครับคือคคการที่ได้รับผลหรือไม่เป็นไปตามกฎธรรมชาติครับถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้รางวัล และเป็นผู้ลงโทษพระองค์ก็จะเป็นผู้ห้ามและสั่งใช่ไหมเออเธอห้ามทํำนี้นะถ้าเธอขือนทํานนะฉันจะลงโทษเธอนะถ้าหากว่าเธ อ, อต้องการผลอย่างนี้ฉันจะให้รางวัลเนะี่ยเธอต้องทําอันนี้ฉันจะสั่งอันนี้พระ เ, เจ้านี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลักการพระศาสนาที่เราพูดว่าสีนี่เป็นข้อห้ามอันนี้เป็นการพูดกันเพื่อเข้าใจง่ายๆแต่ว่าโดยสาระสําคัญแล้วมันไปถึงตัวกฎความจริงของธรรมชาติ ท่นจวนครับมีคนบอกว่าสุขเนี่ยคือทุกน้อยบางคนก็พูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนเลื่องทุกแล้วก็พยายามลบทุกให้เป็นสุขมากกว่าเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ท่านได้จาร์เห็นด้วยไหมครับในความเข้าใจของดิฉันนะคะก็คิดว่าที่บอกว่าสุขคือทุกน้อยมันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ที่พูดถึงว่าทุกนี้ จะลดลงไปเรื่อยๆนั่นก็คือสิ่งที่ในพุทธศาสนาอยากจะบอกว่าให้รู้จักกับความทุกข์คืออะไรแล้วก็หาขนทางดับความทุกข์นั้นเสียแล้วก็เมื่อ น, นั้นแหละจิตจะถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงนี่เขามีคนก็พูดต่อไปด้วยครับว่าทุกเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยดูจะเป็นยูนิตี้ของนุญามใช้ภาษาฝรั่งนิดนึงครับคือเหมือนกันทุกเหมือนกัน แต่สุขของคนเนี่ยดูจะไม่เหมือนกันตามลันิยมตามเผ่าพันธุ์ตามวายัยสุขจะไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้จะเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนครับทุกเหมือนกันนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เหมือนกันทั่วทุกชาติทุกภาษาและทุกคนถ้าหากว่าเราจะศึกษาว่าลักษณะอาการของความทุกข์คืออะไร ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าจะศึกษาแล้วก็น่าจะดูจากในใจของเรานี้เรามีด้วยกันหมดทุกคนเช่นความหมดหิดอึดอัดรำคาญใจเล็กเ็กน้อยน้อยเนี่ยนะคะแต่เรามักจะมองข้ามไปว่าไอ้สิ่งนี้ไม่ใช่ความทุกข์แต่ที่จริงอันนี้มันทําให้จิตใจของเรานั้นมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้น<ช>ไม่มากก็น้อยทีนี้เรามัวมองข้ามแล้วก็ปล่อยมันไว้สะสมมันไว้สะสมมันไว้จนกระทั่งมันเกิดเป็นความเครียดพอเครียดมากๆเขามันก็ตึงตึงแล้วผลที่สุดมันก็ขาดและผลที่ ถัดเป็นอย่างไรอาจารย์ก็ทราบแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเราจึงควรศึกษาเรื่องของความทุกข์พอเราศึกษาลักษณะอาการของความทุกข์จนกระทั่งรู้จักมันทุกอย่างแล้วเราก็จะมองเห็นว่าเมื่อใดที่ไอ้ความทุกข์อาการของความทุกข์นี้มันค่อยๆจางหายไปเมื่อนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่แท้จริงมันก็กําลังคืบคลานเข้ามาทีละน้อยละน้อยละน้อยเพราะจิตใจนั้นจากความว้าวุ่นมันก็เป็นความว่างเป็นความเย็นเป็นความนิ่งและมันก็มีความสงบ ก็ต้สุขของแต่ละคนก็เหมือนกันด้วยหรือเปล่าครับถ้าสุขที่แท้จริงคือสุขที่ขั้นที่สุดแล้วก็จะเหมือนกันทุกคนแต่ถ้าหากว่าจะเอาสุขตามใจมันก็จะขึ้นกับรสนิยมขึ้นกับประสบการณ์ขึ้นกับพื้นฐานของแต่ละคนแต่อันที่จริงแล้วถ้าจะพูดให้ถึงที่สุดมันก็ไม่ต่างกันก็มันคือความสุขที่ได้อย่างใจตามกิเลสเช่นนั้นเองครับท่านเจะคุณอาจารย์มีความเห็นท้ายไหมครับ อันนี้ก็มันก็อยู่ที่ความต้องการอะไรเมื่อความต้องการมันแตกไปความสุขมันก็เลยพลอยต่างไปด้วยก็คือหมายความว่ามันเกิดจากแหล่งหรือปัจจัยที่ต่างกันที น, นี้ความสุขก็พัฒนาได้อย่างที่ว่ามีหลายระดับในพุทธศาสนาฉันจึงแบ่งบางทีแบ่งสุขถึงสิบขั้นคือเราจะไปทอว่าเออเราจะไม่ได้เราจะ ความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไม่ถึงนะเราจะอยู่ได้แค่สุขอย่างนี้เราไปประมาทความสามารถศักยภาพของเราเองครับมนุษย์นั้นมีศักยภาพพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มาห้ามเร า, าไม่ให้ไม่ให้หาความสุขจากวัตถุแต่ท่านเตือนไว้ว่าความสุขจากวัตถุนั้นน่ะมันมีข้อบอกพร่องมีจุดอ่อนอันนี้นะมีโทษอันนี้ถ้าคุณจะใช้มันถ้าคุณจะหาความสุขแบบนี้คุณต้องระวังอย่าให้เกิดโทษนะต้องเตรียมป้องกันไว้ อย่างเนีมันมีโทษอะไรในการเบียดเบียนกันเราก็ระวังอย่าให้ไปทําอย่างนี้เป็นต้น ค, คือท่านให้ไม่ได้ห้ามแต่ว่าพร้อมกันนั้นก็บอกว่าคุณนะคุณสามารถมีความสุขมากกว่านี้นีแล้วก็พัฒนาตัวขึ้นไปสิอย่างที่ว่าเมื่อกี้เมื่อคุณมีจิตใจพัฒนาขึ้นมาจะมีความต้องการให้คนอื่นมีความสุขคือรักเพื่อนมนุษย์อะแค่พ่อแม่รักลูกถ้าเราพัฒนาสภาพจิตยอย่างพ่อแม่นี้ให้มีต่อเพื่อนมนุษย์เลย อั น, นอย่างพี่น้องรักกันเพื่อนรักเพื่อนเราก็สามารถมีความสุขจากการให้แก่เพื่อนอนี่ก็หมายความว่าเรามีศักยภาพในการหาความสุขวิถีทางในการมีความสุขมันเพิ่มแล้วใช่ไหมครับคนที่ยังไม่พัฒนาเลยมีความสุขประเภทเดียวจากการได้การเอายังไม่ได้สมปรารถนาทุรนทุราย แต่คนที่พัฒนาขึ้นใหม่ขั้นมีความสุขจากการให้ด้วยความสุขนั้นประณีตและความสุขนั้นเกื้อกูลสังคมทําให้อยู่ร่วมกันได้ดีมันก็ยิ่งดีขึ้นอ่ะทีนี้ต่อไปถ้าบอกว่าเออความสุขเกีจากการสนองความต้องการยังต่ําไปนะเรายังสามารถพัฒนาความสุขโดยมีความสุขชนิดไม่ต้องสนองความต้องการดีคือการที่เราปรุงแต่งความสุขขึ้นมาในใจของเราได้เองเนี่ยอันนี้จะมาว่าน่าสังเกตนะคือความสามารถของมนุษย์หรือศักยภาพของมนุษย์เนี่ย มันแสดงออกที่สําคัญอันหนึ่งคือความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งต่งางๆโลกมนุษย์นี้เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมามีเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆจนกระทั่งกลายเป็นโลกมนุษย์ขึ้นมาอีกโลกหนึ่งซ้อนขึ้นมาในโลกขธรรมชาติโลกมนุษย์นี้บางคนนี่หลงติดจนกระทั่งว่าแทบจะไม่เคยสัมผัสกับโลกธรรมชาติเลยวันๆหนึ่งอยู่ในโลกของมนุษย์อย่างเดียวโลกมนุษย์นี่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความสามารถอันหนึ่งนี้ก่อนที่จะออกมาเป็นการสร้างสรรค์วัตถุ เราสร้างเป็นความคิดก่อนใช่ไหมคือในใจของเราหมายความมนุษย์มีศักยภาพในการสร้างสรรค์อันนี้ในการสร้างสรรค์ความคิดมาปฏิบัติต่อโลกภายนอกนี้อย่างหนึ่งอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็ปรุงแต่งสร้างสรรค์อยู่ในภายในใจตัวเองคือปรุงแต่งสร้างสรรค์สุขทุกข์แต่เราจะเห็นว่ามนุษย์จํานวนมากเนี่ยสร้างสรรค์ความทุกข์ให้ตัวเองมากกว่าคือเราจะรับ อารมณ์ท่านเรียกว่าอารมณ์คือประสบการณ์ที่เข้ามาตั้งตาหูจมูกลิ้นเนี่ยเรารับเข้ามาแล้วเราก็มาสร้างท่านเรียกว่าปรุงแต่งเป็นสุขทุกข์กในใจตัวเองแต่คนจนํานวนมากเนี่ยปรุงแต่งทุกข์มากกว่าคนจนํานวนมากจะมีความเครียดความรุ่มความกังวลนะะซึ่งเราจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เรียกว่าเดรัจฉานไม่มีความสามารถอันนี้อมไม่สามารถปรุงแต่งความทุกข์ความเครียดในจิตใจแบบนี้เพราะขาดศักยภาพอันนี้ แต่ว่ามนุษย์กลับใช้ความสามารถนี้ในการสร้างสารรค์ความทุกข์มากกว่าจนกระทั่งว่ามนุษย์เป็นโรกจิตโลกปัจสาทซึ่งตัดไม่เป็นแอนทั้งหลายไม่เป็นโรกจิตมนุษย์เป็นเพราะใช้ความสามารถผิดทางแล้วท่านก็บอกว่าเราทําไมไม่พัฒนาไปขั้นหนึ่งคือแทนที่จะใช้ความสามารถมาสร้างสารรค์ความทุกข์เราก็พัฒนาความสามารถใช้ศักยภาพนั้นในการปรุงแต่งความสุข พอพัฒนามาถึงขั้นนี้เราจะมีช่องทางได้ความสุขขึ้นมาสามแล้วหนึ่งความสุขจากการได้การเสรวัตถุเราก็ยังมีถ้าเราต้องการเราก็เสร็จสองความสุขจากการให้การมีคุณธรรมในการอยู่ร่วมเราก็มีเพราะรักเพื่อนมนุษย์สมความสุขในการปรุงแต่งตัวความสุขนั้นขึ้นในใจก็มีเราสามารถทําใจของเราให้ระเบิงเบิกบานได้พระอาจารย์สอนวิธีพัฒนาจิตใจแบบนี้วิธีปฏิบัติในพุทธศาสนา ในการที่ทนเรลาะจิตตภาวนานนั้นในความหมายอย่างหนึ่งคือการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในการสร้างสารรค์ความสุขนี้แหละผมพบบางคนเน่ยนะครับ<อ>เขาบอกว่าถ้าเขาถือศีลอะไรบางอย่างเขาก็เลยอดที่จะเสพอะไรบางอย่างเพราะ<อ>ฉะนั้นมันก็ไม่เกิดความสุขเพราะฉะนั้นเขาขอเขาขอละอย่างนี้เป็นต้น น, นะครับบางทีผมชวนเข้าไปดู เห็นการฆ่าสั์เขาบอกเขาไม่อยากจะดูอะดูแลเดี๋ยวกลัวว่าจะกินเนื้อสั์ไม่ลงเ อ, อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์จะแนะนำเขาอย่างไรครับเรืนี้ครับคือถ้าเราจะมีชีวิตที่สุขดีขึ้นเนี่ยเราต้องสู้หน้าความจริงใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงมันไม่พ้นมนุษย์จะยอมรับความจริงเมื่อไม่ยอมรับความจริงความจริงมันก็อยู่อย่างนั้นแล้เราต้องเจอกับความจริงครับดังนั้นหลักพุทธศาสนาท่านให้เจอเผชิญหน้ากับความจริงแล้วปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้อง แล้วเราจะได้ผลดีจากกา ร, รเผชิญหน้าความจริงถ้าไม่งั้นเราก็ติดอยู่ขั้นนั้นท่านั้นเองครับแล้วไอความสุขนี้นเกิดจากการหลอกตัวเองหรือบังตาตัวเองซึ่งไม่เป็นผลดีกับชีวิตและสังคมอะไรทั้งสิน้นตอนนี้สังเกตในกรุงเทพมหานรคระครมีปิจศนารมอยู่บางแห่งอย่างเช่นอย่างอย่างสี่แยกที่ลาดประสงค์มุมหนึ่งนั้นมีพระผมผมก็เห็นว่าคนมาหาความสุขโดย โดยไปไปกราบพระพรหมแล้วก็มีความเสี่ยงหรือว่าตัวเองมีความเสี่ยงมีความไม่มั่นใจในตัวเองก็ไปกราบพระพมอีกแยกหนึ่งเนี่ยเป็นศูนย์การค้าทันสมัยมีโรงแรมทันสมัยคนก็ไปหาความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันที่มุมอีกแยกหนึง่งทัาไม่แยกหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้มีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ดูเหมือนกับเย้ายวนว่าไปช้อปปิ้งเป็นการไปหาความสุขแต่ไปอีกแยกหนึ่งเนี่ยเป็นโรงพยาบาลตํารวจ ซึ่งมีทั้งเกิดมีทั้งแก่มีทั้งเก็บแล้วก็ตายในโรงพยาบาลแห่ง น, นั้นเนี่ยแล้วก็เป็นที่รับบริจาคด้วยเ็าผมมองสี่แยกอย่างนี้เนี่ยจะจะได้ง่ายคิดอะไรยังไงครับก็แง่คิดก็มีหลายอย่างคือให้เห็นสภาพชีวิตของคนที่มุ่งต่อยแงหานและเสพวัตถุขึ้นต่ ว, วัตถุเอาความสุขไปฝากต่อวัตถุแล้วก็สภาพของความเป็นบางชีวิตแบบนั้น มีเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเขาหลีกเลี่ยงไม่พ้นคือความจริงที่ต้องอเผชิญแน่นอนนี้ถ้าคนรู้จักคิดเขาก็จะได้พัฒนาตัวเองขึ้นจากความรู้ความเข้าใจนี้ก็อันนี้อยู่ที่การรู้จักคิดพิ่จะ น, านาั่นนำมาใช้ประโยชน์หรือหม่และก็คนปัจจุบันนี้เพราะมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ระบบผลประโยชน์เข้ามาครอบงาจิตใจเกิดความเชื่อว่ามนุษย์จะมีความสุขก็เมื่อได้เศษวัตถุมากที่สุดก็พยายามที่จะเป็นคนหาได้มากที่สุด นะต้องการโชคลาภอะไรต่างๆจุดเน้นก็เลยไปอยู่ที่สิ่งที่จะสนองความต้องการในการหาโชคลาภก็ไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกที่จะมาดลบรรดาลความสุขให้ไปอ้อนวอนพระพรหมไปอ้อนวอนเทวดาต่างๆครับอันเนี้ยนี่คือวิถีชีวิตที่ว่า มองด้านเดียวแล้วเราก็จะไม่มีการพัฒนาครับอาารอาจารย์คิดว่าผมคิดมากไปไหมครับที่ฝีแยกราชประสงค์ตรงนี้อะครับดิฉันว่าไม่คิดมากหรอกค่ะเพราะว่าคิดอย่างนี้ดีค่ะทำให้เราจะใคร่ครววแล้วก็ค้นคว้าสืบเสาะลงไปอีกว่าอะไรเนี่ยมันคือสิ่งจริงที่จะทําให้ทัศนะในการมองกว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นต่อไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งสี่ส่วนที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะ อย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าสภาวะของโลกมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้มีอะไรอย่างใดอย่างหนึง่ง เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้มีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งทําไมเราถึงจะต้องไปยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆและเมื่อใดที่เรามีความยึดอย่างนั้นขึ้นมาปางก็สํานึกเองอ่ะมาทําให้จิตใจไม่เป็นสุขแล้วมันกลัวจะไม่ได้อย่างที่หวังเอาไว้และแม้แต่ในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์หรือในศูนย์การค้าก็อย่าคิดว่าไม่มีธรรมะอยู่ในนั้นนะคะครับถ้าหากว่าเราไปมองดูให้ดีๆเนี่ยเราจะพบธรรมะได้หลายอย่างทีเดียวโลภโทสะโมหะมีอยู่ในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เสร็จ แสดงให้เห็นว่านี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์ที่ทำให้จิตนั้นไม่เป็นสุขหรือว่าตัณหาความอยาก ก็แสดงอาการให้เห็นอยู่ในนั้นอีกเหมือนกันว่าเนี่ยคือทําให้จิตไม่เป็นศพเช่นเดียวกันกับอุปท า, านยึดมั่นถือมั่นมันมีพร้อมอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ที่ตรงนั้นนะเป็นที่ที่เรียนธรรมะแล้วก็เรียนสิ่งจริงให้เกิดขึ้นความสดกันในใจในสังคมทุกวันนี้มีมากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพเราจะต้องมีสติใช่ไหมครับถ้าไม่<ช>อย่างนั้นก็จะต้องตามไฟเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะว่าหน้าสูงเงินค่าแห่งนั้นนะครับก็มีเบียร์การเด่นอันหนึ่งแล้วก็บอกว่าสุขนี้ดื่มได้อย่างนนนนี้้้เเป็็ตะครับกลยทําให ผมผมเองรู้สึกนะครับว่าอาจจะเคลิมไปกับสุขที่ดื่มได้หรือสุขที่เห็นได้ก็จะไปไปแค่สุขพื้นฐานในิดที่ท่านคุณพระอาจารย์รได้ได้ได้เตือนไว้ตั้งแต่ต้นคืออันนี้นะเราสามารถพลิกคําสุกที่ดื่มได้ต่อไปก็คือสุขที่ต้องดื่มถ้าไม่ดื่มแล้วไม่มีความสุขตอนนี้ช่างจะยุ่งแล้วแล้วทีนี้สุกยังไงในเมื่อไม่มีจะดื่มในตอนนี้อมันจะยุ่งกันใหญ่ แล้วสุขพอดื่มว่าดื่มไปแล้วไปทําอะไรอันนี้มันจะมีผลเยอะจะมาว่าการมองถึงทั้งหนนี่จะมองด้านเดียวจุดเดียว<ม>ช่วงเดียวครับอย่างน้อยลองมองว่าเรื่องการหาความสุขแบบนี้เออผลต่อชีวิตเป็นอย่างไรต่อสังคมเป็นอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรแล้วพอต่อสิ่งเหล่านั้นผลตีย้อนกลับมาต่อตัวเองเป็นอย่างไรเช่ว่าพอมีผลต่อสังคมแล้วสภาพสังคมนั้นที่เกิดจากเหตุอันเนี้ยส่งผลย้อนกลับมาต่อชีวิตเราอย่างไรอีก อันนี้การที่จะพิจารณาในการหาความสุขของมนุษย์นี่ถ้าจะให้ปลอดภัยเราจะต้องมองโดยใช้ปัญญาท่านจึงบอกว่าต้องใช้ปัญญาตลอดครับท่านอาจารย์จวนครับเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานี้เนี่ยรายการโทรทัศน์หลายรายการนะครับก็เชิญชวนให้คนรุ่นใหม่อวยพรในทีวีขนาดเดียวกันก็มีการส่งคำอวยพรกั น, นต่างๆคําอวยพรแต่เดิมที่ผมได้ยินเนี่ยก็คือว่าให้อยู่เย็นเป็นสุข แต่ตอนนี้เนี่ยผมเห็นมีคําว่าให้รวยรว ย, รวยให้รวยให้รวยบางคนเน้นเสียงเลยนะครับดาราบางคนเน้นเสียงว่าให้รวยมากๆเลยนั่นเองครับถ้าจําฟังแล้วจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องและเป็นความสุขหรือเปล่าครับก็เป็นดัชนีชี้ให้เห็นว่าเด็กทุกวันนี้เรามักจะหลงติดอยู่ในความสุขร้อนอย่างที่ว่าเนี่แหละครับ กันมากแล้วก็เป็นดัชนีที่อีกอย่างหนึ่งว่านี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวทําไมถึงน่ากลัวก็เพราะว่าเวลานี้คนเรากําลังตกอยู่ในธาตุของความเป็นธาตุของวัตถุนิยมมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็เลยลืมไอ้สิ่งที่เป็นสุขเย็นที่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเคยอวยพรกันมาแล้วก็หันมาหาอวยพรกันด้วยการให้มีสุกร้อนกระตุ้นสิ่งที่เรียกกันเป็นความอยากและตัณหาให้เร่งร้ายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าวิตกค่ะการที่รวยก็คือมี รายได้มากเนี่ยก็าอาจจะมองได้ไหมครับว่าพอรวยมีไรายได้มากก็เลยไปหาสิ่งที่มาเอามาบําบับความอยากอย่างใจอย่างที่ท่านท่ า, ทานอาจารย์พูด น, นะครับเพื่อที่จะให้ลูกหูตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะครับได้ไปถึงเนี่ยเลยพอด้ก็คือความสุขจากการเสพกรอบอันที่ว่าเมื่อกี้คือขึ้นต่ออาวุธอันนี้ก็เป็นสภาพที่ชี้ถึงการที่สังคมกาลังก้าวเข้าสู่ระบบผลประโยชน์ อันนี้มันเป็นระบบที่กําลังครอบงาโลกเป็นโลกาภิวัตอันหนึ่งกำลังอยู่ในสภาพวันนั้นถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราจะมีชีวิตที่เอียงสุดไปด้านหนึ่งแล้วจะเกิดผลระยะยาวยังไงอาจมาว่าไม่ยากที่จะดูถ้าเรารู้ทันสภาพสังคมตะวันตกเสนหน่อยเพราะสภาพสังคมตอนตกที่ผ่านมานี้เป็นสังคมที่เน้นทางวัตถุมากหวังความสุขจากวัตถุขณะ น, นี้ได้มาถึงจุดที่ว่ามีความผิดหวังมากาปัญหาความจิตใจเกิดขึ้นมาก แล้วก็หาทางออกกันต่างๆอย่กากระทั่งว่ามาตื่นเรื่องสมาธิเรื่องอะไรต่างๆกันเนี่ยซึ่งอาตมากลับเห็นด้วยว่าฝรั่งนี้กําลังจะเอียงสุดอีกแล้วนี่ไม่ไช่หมายความว่าอาตมาจะไปยินดีว่าฝรั่งมาสนใจเรื่องจิตใจเรื่องสมาธิอะไรเท่าไหร่มองดูด้วยความระมัดระวังว่าพวกนี้ก็จะไปเอียงสุดคืนทั้งคนมนุษย์นี่มีแนวโน้มในการไปสุดทางในยุคหนึ่งนี้จะหลงวัตถุเศรเอาแต่เรื่องอามิธ เรื่องกรารทางธาตุเลี่ยงนั้นของความสุดขจากนั้นนี่พอไปถึงจุดหนึ่งมีความเสื่อมโทรมในชีวิตในสังคมอะไรต่างๆมาไปใจยอย่างเดียวเลยถ้า<ช>ไป<ช>เลยพรพราะไปสุดตรงอันนี้ก็เบื่อหน่ายเต็มที่เลยก็เป็นปฏิกิ<ๆ>ริยาตีกลับเต็มที่ไปสุดตรงทางด้านจิตใจละทิ้งวัตถุหมดก็พวกแฮปปี้ฟีก็เป็นตัวอย่างอันหนึง่งก็ละหมดเลยไม่เอาระเบียบกฎเกณฑ์สังคมอะไรไม่เอาทางนั้นเลย จะอยู่เขาบอกก็เขาอยู่กับธรรมชาตินะคือหมายความว่าเอาแต่เรื่องจิตเรื่องใจอย่างเดียวหรือเมื่อนั้นก็ไม่ใช่จิตใจได้ซ้ำบางทีก็เป็นเรื่องการปล่อยตามใจสบายคือว่าจิตใจมันก็คือตามใจตัวเองไม่พัฒนาจิตใจเพราะฉะนั้นในที่สุดเขาก็ไปไม่รอดเพราะว่าที่แท้จริงแล้วความสุขของมนุษย์ที่จะพัฒนาขึ้นได้ต้องพัฒนาตัวคนนั่นแหละครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับท่านจะคุณาจารย์ปฏิเสธเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจหรืปครับไม่ปฏิเสธแต่ว่า ต้องรู้ว่าพัฒนาไปทําไมพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนกันในพุทธศาสนาในท่านไม่ได้ปฏิเสธความสําคัญของวัตถุพุทธศาสนามีหลักการสําคัญเรียกชื่อพุทธศาสนาว่าธรรมวินยัยหมายความว่าพุทธศาสนามีองค์ประกอบสองอย่างคือธรรมะกับวินยัยครับธรรมะนั้นคือความจริงของธรรมชาติเป็นเรื่องของชีวิตของแต่ละคนที่สัมพันธ์กับธรรมชาติต้องขึ้นต่อกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่เที่ยงเป็นไ ป, นปนตามเหตุปัจปจัยอะไร น, นั่นเลยมั้นี่แน่นอน ทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือวินัยวินัยก็คือการจัดระบบระเบียบชีวิตและสังคมมนุษย์เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการพัฒนามนุษย์ก็จะเริ่มในการจัดสรรปัจจัยสี่การจัดระเบียบความอยู่ร่วมกันของมนุษย์การจัดระบบการบริหารที่เราเรียกว่าการจัดระบบเศรษฐกิจการจัดระบบสังคมการจัดระบบบริหารปกครอ ง, ค, องครับพวกนี้คือด้านหนึ่งของหลักการของพุทธศาสนาที่ให้ความสาคัญแต่เราไม่จุดหมายว่า เราไม่ถือว่าการจัดระบบเหล่านั้นเป็นสิ้นสุดในตัวเขาคนเดีแต่เป็นวิธีการวินัยการจัดระบบเหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมที่เอือ้อต่อการที่บุคคลหรือชีวิตของแต่ละคนนั้นจะได้เข้าถึงสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไปหรืออย่างน้อยก็คือเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตของแต่ละคนนั้นเราก็อาศัย สภาพแวดล้อมที่ดีเช่นเศรษฐกิจที่อยู่ดีมนุษย์ไม่จะเป็นต้องไปเบียดเบียนกันปัจจัย4ี่พออยู่ได้เราก็สามารถพัฒนาชีวิตเข้าถึงความสุขที่ดียิ่งขึ้นแต่นี้ถ้าไปถือเป็นจุดหมายเราก็พัฒนาเศรษฐกิจออถือว่ามีวัตถุคร่อมๆแล้วดีแล้วนะจบทีนี้ก็กลายไปว่ามนุษย์ก็ไม่พัฒนากันนึกว่าความสุขขึ้นแต่วัตถุ อย่างเดียวก็เสพอามิชกันไปแล้วก็เกิดการยังกิงปัญหาสังคมไม่มีทางสิ้นสุดคือการพัฒนาที่ถูกต้องเนี่ยต้องคํานึงถึงองค์ประกอบทั้งสาถ้าเราพัฒนาถูกต้องแล้วชีวิตของมนุษย์ก็จะดีขึ้นและการดีขึ้นของชีวิตก็หมายถึงความดีขึ้นของสังคมสังคมดีขึ้นและชีวิตดีขึ้นหมายถึงความดีขึ้นของสภาพแวดล้อมด้วยตร ง, งรุ่งเศรษฐกิจโตขึ้นการสะสมกําไรมากขึ้นไม่ได้เป็นเครื่องการันตีหรือเป็นเครื่องประกันความสุขเลยใช่ไหมอ๋อแน่นอนไม่เป็นการประกันความสุข ค่าความกําไรมีความหมายหลายอย่างครับตอนนี้มีวัดหลายวัดพระหลายองนั่นนะครับก็สะสมเงินทอนนั่นนะครับตอนนี้ที่มีข่าวค่าวกันอยู่ก็เป็นร้อยล้านก็มีอย่างนี้เนี่ยจะให้สติว่าอย่างไรครับก่อนนี้เราจะมาจะบอกคําว่ากําไรนัมันไม่ได้มีความหมายจบในตัวกําไรมีคุณค่าทางเศรษฐกิจในด้านหนึ่งทางวัตถุในการแสวงหาเงินทองในการมาเสพวัตถุให้มีความสุขมากขึ้น กำไรมีความหมายในเชิงเอาไปทำเป็นอานาจก็ได้ mm hmm. กาไรมีความหมายได้หลายอย่างแต่นี้ว่าอยู่ที่ว่าเราจะใช้กาไรเพื่ออะไรแล้วก็เรามีความมุ่งหมายอย่างไรเกี่ยวกับกาไรบางคนอาจจะคิดแบบว่าเออเราอยู่ในระบบนี้เขาหากาไรเอาไปใช้ในทางอื่นแต่ใช้ในทางไม่ดีเราก็เอากำไรเหมือนกันแต่ว่าเอาหากาไรไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์แต่ว่า หลักการอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือการที่ทําให้เกิดกําไรนี้มีผลให้เกิดการเบียดเบียนขึ้นในหมู่มนุษย์หรือเปล่าถ้ากําไรนั้นเกิดขึ้นโดยวิธีฉลาดของเราในการที่ทําให้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์กลายเป็นประโยชน์อย่างนี้ท่านยอมรับเพราะฉะนั้นตัวตัดสินอยู่ที่อันนี้คือคุณจะทํากําไรคุณต้องดูว่าการทํากําไรของคุณนั้นก่อให้เกิดผลเสียเดือดร้อนต่อสังคมต่อสภาพแวดล้อมอย่างไรหรือเปาครับนะี่ภาพบางองค์ก็ดีวัดบางวัดก็ใช้ศรัทธา<ไ>ของประชาชน ก็บอกว่าไม่ได้เบียดเบียนนีะครับว่าะฉะันั้นสตางของประชาชนประชาชนบริจาคประชาชนถวายเองเรกระทรวงวัดก็บางบางท่านพอมอรณภาพแล้วก็ปรากฏในบัญชีหลายสิบล้านบางท่านยังไม่มรณภาพก็มีข่าวคราวว่ามีเงินเป็นร้อยล้านนะครับมันอยู่ที่ว่าไปใช้ประโยชน์อย่างไรต้องดูว่าเอาไปใช้อะไรเอาไปใช้อะไรด้านโดยหลักการทั่วไปจะมี2แบบแบบที่หนึ่งคือว่ามันเป็นเครื่องมือ หรือเครื่องบำรุงบำเรนความสุขของตอนเองหมายความว่าเป็นอุปกรณ์ในการเสพสุขนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นคุณประโยชน์ถ้าอย่างนั้นพระหรือวัดที่มีเงินสะสมเยอะ<ช>นั่นไหมครับ ถ้าไปซื้อของที่บำุงบำเลอความสุขในทางเนื้อหนังหรือว่าในทางในทางอามิตรอย่านิว่านะครับเแน่นอยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ก็ยิ่งยิ่งไปสร้างความสุขที่ไม่ถูกต้องรนะครับทำมันก็ผิดความหมายของทรัพยนน์และอำนาจในทางธรรมคือหมายความว่ามันกลายเป็นว่าทรัพยนน์และอำนาจไปเป็น ความหมายของมนุษย์ยังไม่พัฒนาก็คือว่าเป็นเครื่องมือที่จะมาะบำรุงเพลิเพลความสุขและความยิ่งใหญ่ของตนเองไปหรตอนนี้ก็เลยมีคนบอกว่าเงินของพระเงินของวัดเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นของสาธารณะที่จะต้องโปร่งใสให้ประชาชนสามารถจะรู้เห็นด้วยได้ด้วยนะครับว่า ได้มาอย่างไรแล้วก็ใช้จ่ายอย่างไรเนี่ยครับควรจะให้ประชาชนได้รับทราบด้วยเนี่ยโดยหลักการอาตมาก็ว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเพราะว่าวัดของเรานี่อยู่ในชุมชนหนึ่งหนึ่งครับใช่ไหมเลยพความหมายของประชาชนก็คือชุมชนนั้นๆแต่ทีนี้ว่าขณะนี้สังคมนี้มีความเปลี่ยนแปลงในข่าวคราวระบบการเขาอยู่ร่วมกันในสังคมมันซับซ้อนขึ้นความหมายของคําว่าประชาชนก็อาจจะกว้างขึ้นอาตมาว่าแม้แต่ว่าปฏิบัติได้ตามหลักการเดิมในสภาพเดิมที่ว่า วัดนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเกิดขึ้นก็นรู้กันนะพระสงฆ์ก็ให้ประชาชนในชุมชนนั้นรู้แค่นี้ก็ยังได้ประโยชน์ผมไปในพุทธศาสนาเนี่ยผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจะเน้นที่ปัญญาเขาจะมาศรัทธาเนี่ยเน้นด้วยหรือเปล่าครับเน้นทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างถ้ายอมรับความจริงแต่ว่ามันมีความแตกตา่างศรัทธามีความสําคัญในเบื้องตน้นปัญญาเป็นตัวนําสู่จุดหมายในที่สุด คือถ้าเราไม่มีศรัทธาเลยปัญญาเริ่มยากเหมือนกันอืศร mm ัท hmm. ธาเป็นตัวเกาะเป็นตัวจับเป็นตัวโยงหมายความว่าก่อนที่เราจะเกิดปัญญานี่สําหรับมนุษย์ทั่วไปนี่ต้องอาศัยการถ่ายทอดรับฟังความรู้จากผู้อื่นศรัทธาก็เป็นตัวเชื่อมเราเข้ากับแหล่งของความรู้นั้นและอันที่สอง mm hmm. นอกจากโยงเขาเข้าหาแหล่งความรู้ก็คือว่า ทำให้การหาความรู้นั้นมีพลังและมีจุดมีเป้าที่ชัดเจนเพราะเรามีศรัทธาในเรื่องอะไรถ้าเราไม่ใช่ศรัทธาผิดเราก็จะมุ่งหาความรู้ในเรื่องนั้นอย่างจริงจังเต็มที่เลยบางคนเนี่ย อ, อยากจะหาความสุขโดยมีศรัทธาต่อพระพิสุสงฆ์บางโลกที่มีปาฏิหาริมีอาทินิหาร<อ>หวังว่าจะช่วยให้ให้เราเนี่ยมีความ<อ>สุขได้เนี่ยอย่างนี้จะถือว่าเป็นศรัทธาได้ศรัทธานั้นมันก็ผิดตั้งแต่ต้นแหละ คือหมายความว่าไม่เป็นศรัทธาที่นำไปสู่การพัฒนาตนเองแล้วไม่เห็นจะใช้ปัญญาตรงไหนคือพาไปเชื่อเลยแล้วก็ไปอาศัยแหล่งภายนอกหมายความว่าไปถือว่าผลที่เกิดจากตนเองนั้นจะต้องอาศัยสิ่งภายนอกหลักพุทธศาสนาถือว่าสิ่งทั้งหลายผลนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยและโดยเฉพาะผลที่ตนต้องการต้องเกิดจากการกระทา ถ้าตัวเองก็ต้องกระทําในตัวจะไม่กระทําก็ไปหวังผลจากสิ่งอื่นมาให้ถ้าอย่างนี้ก็เข้ารัฐที่โดนบันดาลครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างมากแต่บางทีเขาบอกว่าเอาดอกบัวไปต้มกินเนี่ยนะครับจะรักษาโรคได้เราก็จะมีความสุขตรงนัก็ก็เมื่อไม่มีคนเขาพูดเราก็มีศร<ล>ัทธาเราก็มีศรัทธาตามไปด้วยเราก็ใช้อย่างนั้นเนี่ยนะครับหรือว่า คิดว่าพระองค์นี้เนี่ยมีเวทมนต์หรือว่ามีอะไรพิเศษสามารถที่จะเสกเป่าหรือว่าเราสามารถเราเอาผ้ามาเหยียบเราก็เอาผ้านั้นไปบูชาเราก็เกิดสุขหรือเกิดเกิดนิมิตหรือว่าเกิดความดีงามอะไรก็แล้วแต่นครับแม้กระทั่งว่าพระบางองค์นั่งบางที่ที่ดินตรงนั้นเนี่ยเก็บไปที่นั่งนั้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดเ อ, อความเจริญรุ่งเรืองอะไรต่ออะไรผมผมก็ได้ยินนะครับในสมัยนี้เนี่ย ก็เอาง่ายๆกันลวกันในเรื่องนี้ใช้เกณฑ์อย่างน้อยสองข้อนะตามหลักพุทธศาสนาหนึ่งรัทนนานั้นมีการใช้ปัญญามีความรู้เข้าใจเหตุผลในเรื่องนั้นบ้างหรือเปล่านะในหนึ่งละสองก็คือว่าเป็นการที่เราเพึ่งตัวเองหรือเปล่าหรือว่าพึ่งพาปัจจัยสิ่งภายนอก ถ้าเน้นที่ต้องพึ่งตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเพราะปัญญาทำให้พึ่งตัวเองได้หมายความว่าพระพุทธเจ้านี่บอกว่าทรงค้นพบความจริงความจริงมีอยู่แล้วตามธรรมดาแล้วมาเปิดเผยความจริงนั้นเมื่อคุณรู้ความจริงนั้นคุณเข้าใจกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุผลเข้ามาแล้วคุณก็ทําขาคุณเองได้หมายความว่าไม่ต้องขึ้นต่อพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้านี่สอนภาษาองเพื่อให้เป็นอิสระทุกคนตอนแรกนี่อาศัยพระองค์เพื่ออะไรเพื่อจะได้มาช่วยชี้ความจริงให้ พอเราเกิดปัญญารู้ความจริงเหมือนพระองค์เราก็ทําได้อย่างพระองค์อันนี้พระองค์จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่ครับคือจริงเรียกว่าการพึ่งตนเองได้แต่พึ่งตนเองไม่ใช่พึ่งด้วยเปืนไปนะพึ่งด้วยปัญญาเพราะการที่เรารู้เข้าใจแล้วในสิ่งนั้นเราก็เลยทําเองได้ครับดัง น, นั้นอยู่ที่ว่าเราทําเองได้ไหมถ้าหากว่าเราเห็นว่าเอออิทธิฤทธิ์ปาจิหานี่ทําให้เกิดผลที่ต้องการถ้าอย่างนั้นคุณต้องพยายามทําอิทธิฤทธิ้นั้นด้วยตนเองนะ เรา ไ, ไปพึ่งอยู่กับกับใช่เราเราก็มีศักยภาพอยู่แล้วนี่คือพระพุทธเจ้าสอนว่าเราทุกคนนี่เป็นมนุษย์เป็นสาสต ร, ร์ที่ฝึกได้มีศักยภาพในการพัฒนาทุกคนจริงๆแลพระภิสุเนี่ยของไทยหรือว่าพระพิสุจริงๆมีๆอิทธิฤทธิปฏิหารดิบกก่บอิทธิฤทธิปาฏิหารนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือว่ามนุษย์นี่ทำอะไรหรือเห็นอะไรมันเกิดขึ้นโดยตัวไม่เข้าใจเหตุผลก<ม>็เห็นเป็นสิ่งอัศจรรย์ แต่พอเรารู้เหตุผลในเรื่องนั้นแล้วเราเข้าใจมันก็หายอัศจรรย์ก็เป็นธรรมชาตินี่แหละธรรมชาตินั้นปรากฏการณ์นั้นเรารู้เข้าใจเหตุผลหรื อ, อยังเนี่ยถ้าเราเกิดเข้าใจก็หมดความอัศจรรย์ไปทุกสิ่งในโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์เท่านั้นเลยชีวิตมนุษย์นี่ก็เป็นสิ่งที่แสนจะอัศจรรย์ที่สุดนครับแต่ว่าเราจะเป็นมัวยอมนะ่ะอยู่กับ ความที่ว่าเชื่อบาอัศจรรย์หรือทําไมเราไม่พยายามศึกษาให้รู้เข้าใจความจ ร, ริงเียงกระทั่งเข้าถึงเหตุผลของมันเมื่อเราเข้าถึงตัวเหตุปัจจัยเราก็สามารถสร้างความอัศจรรย์นั้นได้ตนเองพุทธเจรร้าตรัสว่าปาฏิหารมีสามคือหนึ่งอิทธิปาฏิหารปาฏิหารการแสดงฤทธิ์ได้สองอาธิสนาปาฏิหารปาฏิหารคือการทํานายใจคนได้ทายใจคนอื่นได้ทายความคิดได้สามอนุสาสาารีปาฏิหารปาฏิหารเกิดจากคาสอนให้เข้าถึงความจริง ดังนั้นถ้าเป็นอิธิปารติหารเราต้องพึ่งคนอื่นตลอดเราก็ตื่นเต้นไปตามนั้นแล้วแล้วก็หวังพึ่งเขาตลอดไปแต่ถ้าเป็นอนุสาในปารติหารท่านสอนเราให้เข้าถึงความจริงเราทําได้ได้วยตัวเองครับเรือร่องสอนถ้าอย่างนั้นเราต้องเลือกศรัทธาต่อผู้ที่มีปารติหารถ้าปาริหารสามอย่างที่ท่านท่านท่านเจคุณอาจารย์ว่านเนี่นเยรรเราก็ต้องเลือกศรัทธาต่อปาริหารใน อนุสา ส, น, าสนีปฏิหารเพตามหลักพุทธสอนนะก็อย่างนั้นพุทธเจ้าสัจว่าปฏิหารสองอย่างแรกนั้นทรงรังเกียจใช้คําหนี้ครับส อ, อย่างแรกก็คือมีฤทธิ์อันแรกคือเครื่องการใช้ฤทธิ์หนึ่งและก็เรื่องการทายใจคนอย่างครับครับราะว่าถ้าจะใช้ต้องมาเป็นเครื่องประกอบพันธิศาร์เพราะาอนุสาสนีปฏิหารจะทําให้คนเข้าถึงความจริง เกิดปัญญาของเขาเองแล้วเขาจะพึ่งตนเองได้ถ้าไม่เช่นนั้นคนอยู่กับสองอันแรกนี่ต้องพึ่งคนอื่นเรื่อยไปครับแล้วไม่พัฒนาตัวนี้เราคุยกันเรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่นะครับผมก็นไม่ขึ้นหลายอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราขณะนี้บางคนฆ่าลูกฆ่าเมียเรืแล้วฆ่าตัวตายเรื่นอยท่านเจ้คุณอาจารย์ก็เคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับแม้กระทั่งตำรวจได้ซ้ําฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วก็ฆ่าตัวเองตายก็บอกว่าหนีทุกข์เรื่นอย ตกลงอันนี้เนี่ยถือว่าเขาหนีทุกข์ไปหาสุขอันนี้ถูกต้องของสัจนะก็ไม่ถูกคือที่ว่าไม่ถูกนะครับเพราะว่าความสุขนั้นมันไม่มั่นใจว่าจะถึงหรือเปล่ามันเป็นความสุขที่เลื่อนลอยความสุขลอยๆเนี่ยตัวเองได้แต่จะหนีทุกข์นี้ไปและการหนีทุกข์ก็คือการปฏิบัติต่อทุกข์ไม่ถูกต้องถ้าเราจะเข้าถึงสุขเราต้องปฏิบัติต่อทุกข์ได้ถูกต้องด้วยแล้วเราต้องมั่นใจในสุขที่จะไปเห็นความเป็นเหตุเป็นผลในตัวมัน การฆ่าตัวตายจะทําให้ได้สุขยังไงมันลอยเต็มทีมันยังลอยๆ ย, ยังมองไม่เห็นมันอยไม่เห็นเลยมันเป็นตะเพิมความหวังความหวังที่เลื่อนลอยครับท่านอาจารย์ครับประเด็นนี้นะครับในความรู้สึกส่วนตัวของดิฉันนะคะเรื่องการฆ่าตัวตายเข้าใจว่าเวลานี้กําลังเพิ่มมากขึ้นทุกทีรเรียกว่าทั่วโลกและในเมืองไทยก็ดูมีสถิติที่สูงอยู่ในความเห็นส่วนตัวก็มีความรู้สึกเสียดายแล้วก็สงสาร แล้วก็ดิฉันมานึกเอาเองว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นการเป็นการฆ่าผิดที่เพราะว่าไอ้สิ่งที่ทําให้ฆ่าตัวตายคืออะไรถ้านึกถึงตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ต้องย้อนไปดูเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้ฆ่าตัวตายก็คงได้ความคิดหรือได้ทิฏฐิที่คิดว่าฆ่าตัวตายแล้วจะหมดทุกข์หมดปัญหาคงจะมีความสุขเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะจงดิฉันจริงคิดว่าไอ้สิ่งที่ควรจะฆ่าคือฆ่าทิฏฐิที่ผิด ที่เราเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่รู้จริงก็จึงพาให้เกิดความคิดไปว่าค่าตัวตายคือค่าร่างกายนี้ตายแล้วก็ชีวิตนั้นจะพบความสุขแต่ที่จริงร่างกายชีวิตของคนเราไม่ได้ประกอบแต่ร่างกายมันประกอบด้วยใจและใจนี้จะเป็นสุขหรือไม่ขึ้นอยู่กับทิฏฐิถ้าหากว่าทิฏฐินั้นม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิคือไม่ได้คิดที่ถูกต้องแล้วแล้วก็ ไม่ว่าจะฆ่าตัวตายหรือจะทำอะไรที่ยิ่งกว่านี้ถ้าหากจะมีก็หาอาจนำความสุขมาสูงไม่จึงอยากจะขอเน้นที่จุดนี้ค่ะว่าให้ศึกษาในเรื่องของทิฏฐิเราจะสร้างสมอบรมฝึกฝนทิตฐิที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นได้อย่างไรจึงจะทำให้เกิดความคิดที่ถูกต้องพูดถูกต้องกระทำถูกต้องและนำชีวิตนี้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงก็จะทาให้คนเราเลิกฆ่าตัวตาย แต่หันที่จะมาช่วยพัฒนาชีวิตจากความที่เราไม่พอใจไปสู่ความที่เราพอใจยิ่งขึ้นจากความที่เราต้องเกลียเลดเกลื้อกริ้งทุรนทุรายไปสู่ความนิ่งความสงบความเยือกเย็นผ่องใส ย, ยิ่งขึ้นจากความเป็นพาดสู่ความเป็นไทยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับเรื่องของการพัฒนาทิฏฐิแล้วเรื่องของการฆ่าตัวตายก็จะเป็นปัญหาน้อยลงตรงต้องเผชิญกับทุกนะครับไม่ใชให่หนีทุก<ร><ร>แต่จะปฏิบัติต่อทุกอย่างรปฏิบัติต่อทุกให้ถูกต้อง ปฏิบัติอย่างไรครับถ้าเกิดเกิดพบอย่างนี้แ<ล>น่นอนการปฏิบัติต่อทุกนั้นอาจจะแบ่งได้เป็นสามขัน้น <Yeah. S 2> เอาง่ายๆก็หนึ่งก็คือว่าการทุกไว้ให้เป็นปัญหาอยู่ภายนอกไม่เข้ามาค้อบงำจิตใจตัวเองอ mm hmm. หมายความว่าจะใช้คํำธรรมดาบอกว่าข้างนอกแก้ไข ข, ข้างในเป็นอิสระ mm hmm. แล้วเราก็จัดการแก้ไขปัญหาภายนอกนั้นท่านเรียกว่าตามเหตุปจัจจ mm ัย hmm. ไม่ใช่ปล่อยนะคือแก้ไขตามเหตุปจัจจัยแต่ว่า ถ้าเราให้มันครอบงมจิตใจแล้วเราทุกด้วยแล้วเราจะมองปัญหาอย่างเอ็นเอียงแล้วจะแก้ปัญหาผิดทีนี้ก็สองก็คือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้เราเอามาใช้ประโยชน์มันเป็นบททดสอบความสามารถของเราความแข็งแกร่งความแข่งของชีวิตนี้เราจะอยู่ได้ดีในโลกเราต้องมีความเข้มแข็งกวาสามารถความทุกข์เกิดขึ้นเป็นบททดสอบตัวเราเราจะมีความสามารถอย่างแค่ไหนแล้วก็ใช้มันเป็นเครื่องมือพัฒนา คนที่พัฒนาได้ดีนั่นก็คือคนที่ใช้ความสามารถใช้สถานการณ์หรือความทุกหรือใช้ปัญหาต่างๆเนี่ยมาเป็นโอกาสในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหานั้นๆชีวิตก็จะดีขึ้นตามลำดับและอย่างหนึ่งก็คือการหาความสุขจากความทุกเมื่อความทุกเกิดขึ้นก็ศึกษามันเลยอย่างในการปฏิบัติธรรมนี่ท่านให้ศึกษาความทุกเอามาดู เหมือนเป็นวัตถุที่ศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ดูว่ามันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นเป็นยังไงบางทีมันก็เกิดความสุขจากการศึกษาความทุกขนันเลยครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ว่าไม่หนีทุกขแต่การาเผชิญทุกอย่างไม่ฉลาดก็อาจจะเกิดโทษเหมือนกันก็ต้องมีวิธีการแต่ว่ารวมและหลักการสําคัญก็คือการใช้ปัญญามาถึงผมอยากจะเรียนถามข้อใหญ่ๆสักสามสี่เรื่องกันนะครับ ที่เหตุการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ทําให้ประชาชนสับสนอยู่พอสมควรนะครับรก็คือในเรื่องที่มีข้อกล่าวหาว่าพระเสด็เมถุนอะไรก็แล้วแต่ไนมะ่ตามหลักพระวินัยเนี่ยเมื่อเสดเมถุนนั้นประราชิษตั้งแต่วันที่เสดเมถุนถูกต้องหรือเปล่าครับเลยพอก็ขาดจากความเป็นพระตั้งแต่บันนั้นถ้าสมมุติว่าขาดจากการเป็นพระตั้งแต่วันวนั้น แต่ต่อมายังทําให้คนเข้าใจว่าเป็นพระแล้วก็รับบริจาคหรือว่าการให้คนเนี่ยมีความสุขด้วยการบริจาคอันนี้จะถือว่าเป็นความผิดหรือเปล่าก็ธรรมดาก็ต้องเป็นความผิดก็กลายเป็นการหลอกลวงแต่ถ้ามองในแง่ดีว่าจะช่วยให้ประชาชนได้บริจาค่การที่ประชาชนบริจาคเป็นการละเลิกเป็นการให้ก็เกิดความสุขกับประชาชนถ้าอย่างนั้นมองในแง่นั้นได้นี่ครับที่เป็นพระก็ยังรับบริจาคได้แต่ว่าพอ พอไม่ใช่พระเท่านั้นเน<ช>ี่ยรับ<ช>ไม่ได้เ<ช><ช>รื่ผมจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินครับก็ไม่ได้แปลกอะไรนี่คือว่าเราก็แยกได้เป็นส่วนส่วนส่วนที่คนนั้นเขาบริจาคได้ศรัทธาเขาเขาได้ประโยชน์ได้ความสุขใจเขาก็ได้ไปแต่ว่าผลเสียที่เกิดกับสังคมก็ต้องพิจารณาต่อไปคือว่าสิ่งที่มนุษย์ธรรมนี่เราต้องพยายามป้องกันกำจัดแก้ไขผลเสียให้เหลือน้อยที่สุดใช่ไหมเรื่ในกรณีนี้หมายความว่าเราไม่ได้ปฏิเสธในส่วนที่ดี ส่วนที่แต่ละคนเขาได้เขามีศรัทธาเขาก็ไว้ใจเขามีความสุขแต่ว่าผลเสียในทางหลักการผลเสียในทางของตัวธรรมะเองในผลเสียในทางสังคมเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ต้องพดว่ากันไปแต่ร ว, วมแล้วก็คือว่าอย่างน้อยเราต้องดำารงรักษาธรรมะไว้เพราะตัวธรรมะนี้เป็นที่รองรับสังคมมนุษย์ไว้ ในกรณีที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองขณะนี้เนี่ยก็มีพูดกันมากว่าควรจะตรวจเลือดเสื้อหาด n เอนแต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าการตรวจเลือดทางวิทยาศาสตร์จะเหนือพระธรรมวิไนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็มี ม, มีมีข้อพูดถกเถียงกันมาตรงนี้นะครับหรือข้อกล่าวอ้างอย่างนี้เนี่ยท่านเจะคุณพระอาจารย์จะจะกรุณาให้ชีนัอย่างไงกับตอนนี้ครับ เ, เห็นจะไม่เกี่ยวกันคือว่าพระวิไน ต้องการความจริงเพว่มาใช้พิจารณาในการตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะมีบุคคล น, นั้นได้ทําความผิดหรือไม่นี่เราก็ต้องมีวิธีการไปหาความจริงอันนี้คุณจะใช้วิธีการอะไรก็เรื่องของคุณนะก็อยู่ที่ว่าวิธีการนั้นจะช่วยหาความจริงมาได้ไหมนี่ถ้าว่าถึงการพิสูจน์ดีเอเเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรวิทยาศาสตร์ก็คือความรู้ของมนุษย์และการพัฒนาความรู้ของมนุษย์ ที่มีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็ทำให้น่าเชื่อถือมากขึ้นเท่นั้นเองนี่ก็แต่ว่าวิทยาศาสตร์นั้นเก่งในทางโลกของวัตถุหาความจริงทางวัตถุได้ดีนั่นถ้าหากว่าเราจะมีเครื่องมือมาช่วยหาความจริงนี้ได้พระธรรมวินัยก็ยิ่งชอบใจครับ กรวงการตรวจดีเอก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อว่าอันนี้เนี่ยเป็นความจริงการหาความจริงได้ก็สอดคล้องกับพระธรรมวินัยเพราะพระธรรมวินัยไม่ได้หนีความจริงใช่ไหมครับพระธรรมวินัยต้องการความจริงแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้มนุษย์ต้องไปดําเนินวิธีหาความจริงเอาเองถ้าะย่งนั้นประเด็นที่จะเลี่ยงต่อไปก็คือว่าการตรวจดีเอเชื่อได้หรือไม่เป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ไปเรื่องนั้นอีกเข้าวิชาการเรื่องนั้นตัก็เป็นเรื่องวิชาการนั่นเองครับนแต่ว่า เรื่องจะมาทำลายทำวินัยไม่เกี่ยวกันเหมือนกับอย่างพระเนี่ยไป ต, ตรวจเลือดเป็นโรคเบาหวานก็ไปตรวจเลือดว่าเป็นเบาหวานไหมครับจะถือว่าเอกาตรวจเบาหวานนี่ทำลายทำวินัยหรือไงถ้าผงไม่ใช่นะตรวจเลือดว่ามีเบาหวานหรือเปล่าหรือว่าตรวจเลือดว่าเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดมากหรือเปล่าอะไรนี้ก็เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์เลยตอนถ้าอย่างนั้นพระก็คงรักษาโรคเบาหวานแล้วก็ เรื่องไขมันในเส้นเลือดสูงโดยการไปเจาะเลือดตรวจอะไรไม่ได้สิครับมันไม่ได้เกี่ยวกันเป็นเรื่องของวิธีการของมนุษย์ที่จะหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็อย่ามองวิทย า, าศาสตร์เป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นครับก็ๆๆ ม, มีคนว่าคณะสงฆ์เนี่ยไม่กระชับกระเฉงไม่มีอะไรชัดเจนแน่นอนนะครับทุกคุณอาจารย์มองปัญหานี้อย่างไรครับก็จะมามองว่าเป็นไปได้ไหมว่าขนาดเนี้ย คณะสงฆ์เนี่ยถึงจุดที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบ้านเมืองแต่ทีนี้ บ, บ้านเมืองจะช่วยได้ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าการปกครองคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้อิงอยู่กับฝ่ายบ้านเมืองด้วยอยู่ในประเทศไทยก็ต้องอิงอาศัยกฎหมายไทยและก็แล้วในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์นี้ก็เป็นประเพณีของประเทศไทยมาครับฉะนั้นก็อย่างพรบคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้ก็ได้ตราไว้แล้วนี่ชัดเจนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ก็แสดงว่าการปกครองคณะสงฆ์นี้ก็ต้องอิงอาศัยบ้านเมืองอยู่ในเมื่อบ้านเมืองเองก็กลัวก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นของคณะสงฆ<ช>์บ้านเมืองไม่กล้าแน<ล><ะ>่นอนตกลงตก ล, ลงความพอดีจะอยู่ตรงไหนนะครับความพอดีก็อยู่ที่ว่าต้องปรับต้องปรับให้พอดีถ้ามันเกิดความไม่พอดีขึ้นมาแล้วก็ต้องปรับให้พอดีแล้วก็แก้ไขจุดอ่อนจุดบกพร่องอันนี้แหละอาตมาจึงอยากจะชี้ว่า เราจะมัวติดอยู่กับสถานการณ์เฉพาะกรณีรเท่านั้นต้องมองเฉพาะกรณีนี้ให้โยงไปถึงเหตุปัจจัยองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการที่จะแก้ปัญหาระยะยาวนั้นจะต้องไปถึงเหตุปัจจัยและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องจัดสรรให้เรียบร้อย<ๆ>ก็หมายความว่าในเรื่องที่เกิดขึ้นจะมี2จุดหนึ่งก็คือปัญหาเฉพาะกรณีว่าทําไงจะแก้ไขให้ยุติลงไปได้ดีโดยชอบธรรม สองก็ไม่หยุดเพียงเท่านั้นจะต้องแก้ลงไปถึงเหตุปัจจัยสภาพแวดล้อมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อป้องกันปัญหาระยะยาววิฉะนั้นแล้วเหตุปัจจัยที่เป็นตัวทําให้เกิดสถานการณ์หรือเหตุการณ์อันนี้ขึ้นยังคงอยู่แม้เหตุการณ์ครั้งนี้เฉพาะรายยุติไปแต่เหตุปัจจัยที่เป็นตัวนํามาซึ่งผลอันนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขไปข้างหน้า สถานการณ์เหตุการณ์ร้ายกรณีอย่างนี้ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ครับง น, นั้นเราก็จะต้องมาโวยวายกันอย่างนี้เรื่อยไปจะมาว่าน่าจะได้คิดสองชั้นอย่างนี้ครับครับวันนี้ผมต้องขอกลับขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับต้องกลาบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่กรุณามาให้สติให้ความจริงของเรียนเรื่องความสุขกับเราในวันนี้นะครับกลับขอบพระคุณท้านท่านโมทนาเช่